เพ่อช่วยอายการเพู่อช่วยทุกท่านในเรื่องที่จะได้พูดถึงก็คือเรื่องของอธรรมะกับนักกฎหมายเนื่องจากว่าพวกเราเพิ่งเข้าสู่งานนี้เป็นคนใหม่เริ่มงานใหม่แล้วก็ ก็จะต้องเติบโตในงานนี้ต่อไปก็คือเพื่อความสําเร็จของชีวิตก็มาดูกันว่าถ้าเราจะประสบความสําเร็จของชีวิตตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ในวงการ น, นี้จดเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยบางคนก็ถึงดวงดาวบางคนก็ไม่ถึงเพราะอะไร โดยทั่วไปก็ใช้คำสองคำเก่งบวกเห็งเก่งคือความรู้ความสามารถบวกคุณคุณสมบัติคุณธรรมภายในตัวเราเป็นองค์ประกอบภายในที่เรียกรวมๆว่าเวอร์ชูคือตัวเรามีอายรดียนั่นแหละเรียนมาเก่ง เป็นคนมีนิสัยดีมีมนุษยสัมพันธ์ดีเป็นเรื่องของเรานี่เป็นองค์ประกอบภายในองค์ประกอบภายนอกเรียกว่า fortune ก็คือสิ่งที่เราไม่ได้กำหนดมันเป็นสถานการณ์ภายนอกถ้าสถานการณ์ภายนอกมันเอื้อให้เรา เจริญเราก็ถือว่าโชคดีคือเฮงแต่ถ้าสถานการณ์นั้นมันตกเงนข้ามมันเป็นปรัปรับไปอยู่ในทินที่เขาไม่ไม่ต้อนรับคนที่มีคุณสมบัติอย่างเราสมว่าถ้าเราเป็นคนตรงเงี้ยแต่ที่น่นเขาไม่ตรงกับเราอะเจ้านายเขาชอบคนอีกประเภทหนึง่ง อันนี้ก็เรียกว่าสถานาการณ์ไม่เอือ้อบางเรื่องบางยุคต้องการคนแบบหนึ่งเราไปเกิดผิดยุคกว่าคนจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์รอเป็นร้อยปีก็มีอย่างจิตรกรนักวาดภาพเนี่ยใส่แห้ในยุคของเขาคนไม่เห็นคุณค่าของ ภาพที่เขาว่าสุนทรผู้ที่เรายกย่องว่าแต่งกรนเ ก, ก่งแต่งกรนเก่งเนี่ยในเขาเขาเด่นเขาดังในสมัยรัชากาลที่สองพอถึงรัชากาลที่สามตกกระป๋อต้องออกบวชเหมือนกับไปรีภัยอยู่ในวัด ในช่วงรัชกาลที่สองนี่ทั้งเก่งทั้งเห่งสุทอดผู้แต่พอสมัยรัชกาลที่สามอานิจจาตัวเราก็เท่านี้ไม่มีที่พระสุธาจะอาศัยคตเก่งแต่มันอยู่ในสถานการณ์ <c oughs> ที่ไม่เ อ, อ้อเพราะฉะนั้นในคติของ สังคมไทยก็คือว่า 1. เราเราพัฒนาตัวเราเองให้เก่งมีคุณธรรมแต่ 2. เรื่องของฟอจุดเป็นเรื่องอะไรในทางพุทธศาสนากำหนดไว้สามเรื่องในทางพุทธศาสนากำหนดไว้สามเรื่องก็เราเรียกว่ามงคลเนะเหตุแห่งความเจริญของชีวิต1 เป็นเรื่องของการรักษาตัวให้ดีประคองตัวอยู่ในกรอบของศีลธรรมพัฒนาตนเองให้เก่งและอยู่ในกรอบของศีรธรรมหรือธรรมาเราเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบวียชูก็คือคุณธรรมส่วนที่สองที่ว่า for ์จคือ สถานการณ์มันเอื้อให้เราเจริญรุ่งเรืองนี่ท่านใช้คำว่าปุพเพกัตปุน ญ, ญาตาทาบุญกุศลไว้ก่อนก่อนนี่หมายถึงในอดีตอดีตชาติก็ได้ปัจจุบันก็ได้ท่าเรียกว่บนะุพเพอย่างบุพเพสัมมิวนะนีบุพเพก็คืออดีตที่ผ่านมาชาติที่แล้วก็ได้ชาตินี้ก็ได้ทําความดีไว้ และกุศลความดีเนี่ยมันจะมาเอื้ออำนวยให้เราโชคดีสุดท้ายก็คือปัตติรูประเทสวาสร์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะที่สมกับเราปลาใหญ่ต้องลงทะเลลึกปลาฉลามหวานอย่างเงี้ยถ้าขึ้นมาชายหาดมันเกยตื้น เพราะอยู่ผิดที่ผิดเวลาสามองค์ประกอบทำให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองคำว่าเหตุแท่ความจเจริญรุ่งเรืองทะาเรียกมงคลเพราะฉะนั้นบางคนไปติดเรื่องมงคลอยู่กับสีเช่นวันอาทิตย์ใส่เสื้อผ้าสีอะไรวันจันทร์สีอะไ ร, น, ร, ะไร น, นี้เป็นเรื่องภายนอกทางศาสนาบอกอยู่ที่ภายในชีวิต เราไม่ใช่ใส่เสื้อผ้าดีถูกฉลกแล้วเราจะโชคดีเสมอไปมันอยู่ที่การวางตัวมันอยู่ที่บุญกุศลความดีที่เราสะสมและสถานการณ์ที่เอือ้อบางคนไปเน้นสถานการณ์อย่างนโปเลียนมหาราชบอกว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษนั่นะคือข้อสเมื่อสถานการณ์ต้องการคนประเภทหนึ่ง และบังเอิญว่าเราเป็นคนที่มีคุณสมบัติตามนั้นเราก็แสดงความรู้ความสามารถถูกยกถูกสมัยเขาจะบอกสถานการณ์สร้างวีรบุรุษสร้างวีรสตรีมีเหตุการณ์อันหนึกที่สื่อสะท้อนสามเรื่องที่ว่าม า, นาในประมาณสักประมาณ10ปีมาแล้วเนี่ย หนังสือพิมพ์ทั่วโลกเนี่ยลงข่าวเครื่องบินลงจอดในแม่น้ำเป็นเครื่องบินโดยสารขึ้นน่าจะขึ้นจากสนามบินที่นิวยอร์กนะอาจจะเป็น JFK พอขึ้นไปได้สักพักนีกับตันเครื่องบินคนนี้เขาวิทยุแจ้งที่ภาคพื้นดินว่า เครื่องยนต์ดับเป็นเครื่องหนึ่งเครื่องบินลำนี้มันบ ม, นมีมันเป็นไอคอนสองเครื่องยนต์บรรทุกผู้โดยสารร้อยห้าสิบคนเป็นเครื่องบินพาณนนิชย์พอขึ้นไปเขาบอกเครื่องยนต์ดับมันไปชนฝูงนกฝูงนกที่บินอยู่ตามสนามบินมันเข้าไปในเครื่องยนต์พอแจ้งไปเท่านั้น ว่าจะทำยังไงเขาก็พูดต่ออีกกับต่างเครื่องบินเครื่องที่สองที่เหลืออยู่ก็ดับชนฟกบนอกอีกหละดับทั้งสองเครื่องไม่มีเครื่องลุกเครื่องยนต์เหลืออยู่เลยตอนแรกพอดับเครื่องแรกเนี่ยฝ่ายภาคพื้นดินบอกให้บินวนกลับมาลงสนามบินเขาบอกตอนนี้ดับทั้งสองเครื่องทำยังไงกลองดับนด้บันทึกการสนทนาไว้หมด เสร็จแล้วกับตัดเครื่องบินบอกประโยคสุดท้ายก็คือจะลงแม่นม้ําแม่นม้ําพัทสันเครื่องยนต์ที่มันดับเนี่ยเขาทําประคองเครื่องบินให้เป็นเครื่องลอด น, นะค่อยๆลงไปที่แม่นม้ําพัทสันในช่วงนั้นน่าจะเป็นเดือนมกราคมมันหน้าหนาวไม่มีเรือนักท่องเที่ยวเลยสถานการณ์นะแ ม, แม่น้ำแม่น้ํามันว่าง ก็ลงไปนในแม่น้ำแล้วก็เครื่องเนี่ยมันก็ค่อยๆล่อนลงนะแล้วก็แตกผิวน้ำไม่แตกไม่หักด้วยสกู๊ s แอสซิลการบินไทยน่าจะไปดูนะโรงงานแล้วมันก็ค่อยลอยลํำอยู่สิ่งที่เราเห็นในภาพเลยพอเครื่องบินลอยลํำกับตันเนี่ยได้ ปรากฏว่าคน150คนไม่เป็นไรมียกเว้นแอลกฮอลเสกขาหักเพราะว่าแกต้องคอยกํากับผู้โดยาสารกัำตันสุกสงบมากแกออกจากห้องนักบินกํากับการอพยพของคนภายในเครื่องบินให้มาอยู่ที่แพร่ยศแพยากบ้างที่ปีกเครื่องบินบ้างจนกระทั่งเรือมารับเรือจะฝังมารับผู้โดยาสาร กับตัดยิ่งออกจากเครื่องบินเป็นคนสุดท้ายเป็นคนสุดท้ายแม่ของนิวยอร์กประกาศว่าเขาเนี่ยเป็นฮีโร่นี่คือวีรบุรุษและก็อ้างคำคำจำกัดความว่าฮีโรอิซึมเนี่ยความเป็นวีรบุรุษวีรสตรีอยู่ตรงไหน Grace under pressure สง่างามภายใต้ความกดดันไม่ว่าจะมีวิกฤตไม่ว่าจะมีใครมาบีบ ม, มาคั้นเวลาที่เราเป็นทนายมีการโต้เถียงมีอะไรต่างๆแต่สง่างามภายใต้ความกดดันสติปัญญาทํางานเต็มที่ไม่แพนิคไม่ตื่นตระนกไม่ลนลาน ไม่ละทิ้งหน้าที่ของกัปตันเขาจึงยกย่องคนคนนี้มากว่านี่แหละคือตัวอย่างของคนที่เผเชิญวิกฤตความกดดันอย่างมีสติมีสัมปชัญญะครบถ้วนซึ่งมันต่างจากเหตุการณ์ในประเทศไทยนะเมื่อประมาณครึ่งเดือนที่แล้ว รถทัวร์รถทัวร์รถโดยสารสองชั้นเนี่ยรับนักท่องเที่ยวนักเดินทางมาถึงวังน้ำเขียวยที่เรานึกถึงขา่าวสูงสองชั้นผู้โดยสารอยู่ชั้นบนเป็นส่วนใหญ่แล้วเวลาลงรถมันลงจากเขาเนี่มันมาด้วยความเร็วอาจจะคนขับเร็วมาก่อน ไม่ชำนาญทางหรืออะไรก็ไม่รู้เพราะเขาเช่ามาเมามาแล้วเบรกแตกเบรกไม่อยู่มันก็แล่นด้ยวยความเร็วมากขึ้นมากขึ้นสิ่งที่ผู้โดยสารที่รอดชีวิตเล่าก็คือเขาได้กลิ่นเหม็นไมหม้เม็นไหม้รถก็วิ่งด้วยความเร็วและก็เอาได้เห็นคนขับเนี่ย วิ่งหนีจากไอ้ที่คุมพวงมาลัยรถเนี่ยนะวิ่งไปขึ้นชั้นบนมันมีประตูฉุกเฉินเปิดประตูฉุกเฉินโดดหนีไปคนเดียวปล่อยให้รถสองชั้นเนี่ยมันพุ่งชนเกาะกลางถนนแล้วก็ตีลักาหรืออะไรข้ามเกาะกลางถนนไปชนต้นไม้คนตายไปสิบแปดศพ เขาก็เป็นตามล่าคนนี้มาคนขับจากด้วยอะไรเป็นเรื่องของตำรวจที่จะต้องสืบสวนสอบสวน่มียาบา้าเสพยาบา้าหรืออะไรไหแต่พูดถึงว่าในวิกฤตขยะนั้นเนี่ยผู้โดยสารบอกว่าต้องแจ้งข้อหาเขาด้วยว่าเจตนาฆ่าคนตายซึ่งตำรวจบอกมันไม่ใช่เขาเนีเอาชีวิตรอดแต่อย่างไรก็ตาม มันมันต่างกันแล้วสำหรับคนสองคนต่างกันเราจะบอกเรื่องคุณภาพคนหรืออะไรแต่ที่จินใจความรับผิดชอบความมีคุณธรรมความห่วงใยมันแสดงออกตั้งแต่เริ่มขับรถตั้งแต่ควบคุมตรวจสภาพรถมันมามันไม่ใช่แค่มาดูตรงที่เบรกแต่ง มันสื่อสะท้อนถึงความรับผิดชอบคนจำนวนมากเนี่ยคุณดูแลรถยนต์อย่างไรขับอย่างไรเสพยาหรือไม่อย่างไรมันสื่อสะท้อนทั้งหมดเพราะฉะนั้นชีวิตคนเรามันไม่ใช่พอไปถึงจุดวิกฤตแล้วมันมันต้องแสดงอะไรบางอย่างมันหมอกถึงพื้นฐานชีวิตที่ผ่านมาเป็นชีวิตที่มีคุณภาพมีคุณค่าเคารพตัวเองหรือไม่ เมือนกับทองแท้มันไม่กลัวไฟอ่ะแล้วถ้าคุณไม่ใช่ทองอ่ะมันไม่ใช่ ม, มาเจอไฟแล้วมันจะกลายเป็นทองไม่ใช่มาเจอวิกฤตแล้วคนจะสงนานงามภายใต้ความกดดันมันเป็นวิถีชีวิตเป็นทั้งชีวิตมันเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตซึ่งตรงนี้ ท่านประดีพนมยงนักกฎหมายมือหนึ่งของประเทศในการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปการประเทศเราอะนะ2475เนี่ยท่านสรุปเอาไว้ที่นักกฎหมายรุ่นหลังต้องสังบอระวังท่านประดีให้สัมภาษณ์นิตยสาร a อเชี e ว k ก่อนถึงแก่อสัญกรรมสักสองสมปีท่านอยู่ฝรั่งเศส ให้สัมภาษณ์แล้วหนังสือเล่มนั้นเนี่ยวางทั่วโลกก็พอดีซื้อและอ่านมันน่าจะสักส0มสิบสี่สิบปีมาแล้วแต่จำจาประโยคได้คำถามได้ประโยคเดียวมันสะดุดสะดุดใจผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ถามว่าอะไรคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ในชีวิตในอดีตของท่านปรีดีซึ่งถ้าย้อนกลับไปตั้งต้นชีวิตใหม่ไปเริ่มชีวิตใหม่อีกจะไม่ยอมทำมันเป็นอันขาอะไรคือความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ท่านปรีดีตอบว่าความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของท่านก็คือรีบทำการใหญ่ก่อนที่จะมีประสบการณ์ รีบทำการใหญ่ก่อนที่จะมีประสบการณ์การใหญ่ที่ท่านพูดถึงคือการเมืองเป็นหัวหน้าคณะรางเปลี่ยนแปลงการปกครองเล่นการเมืองระดับชาติโดยขาดประสบการณ์ทางการเมืองแล้วท่านปรีดีก็อธิบายว่าเมื่อเล่นการเมืองอย่างนี้เนี่ย รู้จักคนไทยน้อยไปคือว่าประสบการณ์เนี่ยรู้จักคนไทยสังคมไทยวิธีคิดของคนไทยน้อยไปเพราะไปเรียนเมือง น, นอกมาแต่เด็กสอบได้ที่หนึ่งชนะฝรั่งด้วยมันเกิดอีโก้นะฉันเก่งเมื่อกลับมาในสังคมไทยเปิดตำราย เวลาจะวางนโยบายบ้านเมืองเวลาจะกำหนดทิศทางทางเศรษฐกิจไม่ได้ดูบริบทหรือคอนเท็กซ์ของสังคมไทยลอบตำลาฝรั่งมาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งบางเรื่องมันไม่เหมาะหรือผิดยุคไอ้นั่นแหละคือเหตุให้เรียกว่าถอยร่นทางการเมือง เป็นรัฐมนตรียังหนุ่มมากอายุสามสิบต้นๆในคณะรัฐบาลชุดแรกของพยามโนประกรณิติธาดาเราเรียกคณะรัฐนตรีว่าคณะราชช่วงนั้นแล้วไปเสนอเขาโครงเศรษฐกิจก็คือแผนการเศรษฐกิจแห่งชาติแห่งชาตินั่นแหละเข้าครมองก่อนเสนอนี่นาะยกก็เห็นด้วยเพื่อนๆก็ไม่ว่าอะไรนะรล็อบบี้กันก่อ น, นคุยกันก่อนทุกคนกัเขา ให้เข้าคอรมอรแต่มันเป็นการขุดบ่อล่อปลาดับดาวรุ่งพอเข้าคอรมอลจริงๆโดนตีรอบด้านเลยเรียกว่าโดนตีจนตกและสื่อก็รายงานว่าแผนเศรษฐกิจ น, นี้เขาโคงนี้เป็นเขาโครงเศรษฐกิจแบบคอมมิวนสิสต์เป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมาก ประเด็นที่ถูกกล่าวหาก็คือเรื่องปฏิรูปที่ดินคนสมัยนั้นไม่เคยได้ยินคำว่าปฏิรูปที่ดินถ้าเป็นสมัยเราไม่มีปัญหาแต่พอคำว่าปฏิรูปที่ดินมันเป็นประเด็นขึ้นมาสมัยนู้นถือว่าเอามาจากคอมมิวนิสต์และคอมมิวนิสต์เขาก็ทำจริงๆเพื่อกลับจากจีนเมื่อวันศกรที่ดินทั้งประเทศจีนแผ่นดินใหญ่เป็นของรัฐบาล ต่างชาติจะไปไม่ว่าคนจีนหรือคนอะไรก็ตามไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเมื่อไม่มีกรรมสิทธิ์แล้วเป็นไงมีเพียงแต่ไปเช่ารัฐบาลอย่างบริษัทซีพที่ไปเนี่ยไปทำเอาที่ดินอะไรก็ตามไปทาธุรกิจในจีนถามว่าคุณเช่ากี่ปีเจ็ดสิบปีและก่อนเจ็ดสิปีถ้ารัฐบาลจะเว้นคืนเนี่ยเมื่อไรก็ได้ เพราะฉะนั้นที่ปักกิ่งเนี่ยมันมีถนนวงแหวนใหม่ๆเนี่ยแค่สองวงเมื่อสักสิบยี่สิบปีมาแล้วมีแค่สองวงไปอีกทีนึ่งสิบแปดวงแหวนในกรุงเทพเรามีถนนวงแหวนแค่สองเงนะท่านบางทีคนไทยก็ไม่รู้เหมือนบริงรถในในปารีสเนี่ยวิ่งวนอย่างเงี้ยแต่ของเราไม่เน้นว่าเป็นวงแหวนเพราะถนนมันติดรถมันติด วงแหวนมันต้องวิ่งโดยที่รถไปติดวงแหวนแรกเราเรียกว่ารัชดาพิเศษสร้างตอนในหลวงราชการที่เก้าคลองราดได้ยี่สิบห้าปีนั่นแหละเป้าหมายคือเป็นบริงรถวงแหวนด้านในอันแรกจนในหลวงคลองราดมาห้าสิบปียังไม่เสร็จดีเลยไปไปทูลเชิญพระองค์มาเปิดในหลวงถามว่าอ่ะนี่เพิ่งเสร็จเหรอ รัชดาพิเศษกันนะและต่อมาเขาเรียกวงแหวนรอบนอกอ่ะวงแหวนเศรษฐกิจอ่ะก็มันไปทับเส้นบางบัวทองบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปข้ามสมุนปารการวนอย่างเงี้ยที่เราเอารัชดาพิเศษก็ผ่านตรงนี้ข้างข้างหน้านี่แหละนั่นแหะวงแหวนนะติด นี่กำลังมาทําอะไรให้รถติดอ่ะคนไม่รู้หรอกว่าเป็นวงแหวน อ, อแต่ประเทศจีนบอกฉันจะสร้างเวรคืนปัดเดียวถามคนจีนว่าโดนเวรคืนไม่ทุกเหรอชาวบ้านโอ้ยละธรรมายเขาจ่ายแพงมากชาวบ้านนี่อยากให้เวรคืนเนอะได้สตางค์แล้วไปเที่ยวเมืองไทยแฮ่กันมาเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแค่เวรคืนอย่างเดียวเลย เงินมหาศาลคุ้มเลยรัฐบาลเขามีเงินเยอะและมันไปถึงคนจนจริงๆเขาปราบคอร์รัปชันจริงๆอ่ะปราบมาเรื่องท่านปรีดีพอถูกโจมตีว่าปฏิรูปที่ดินเป็นเขาโคกคอมมิวนิสต์ท่านปรีดีท่านเล่าอีกท่านพูดเองในบทสัมภาษณ์บอกว่าท่านชี้แจงท่านสัน้นว่าไม่ใช่และอธิบายนิดเดียว นึกว่าคนไทยจะเข้าใจนึกว่าคนจะรู้จะเข้าใจจะตามทันทันไม่มีประสบการณ์แต่เมื่อเวลาผ่านมาแล้วจึงรู้ว่าถ้าย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่จะศึกษาทำความเข้าใจสังคมไทยให้มากกว่านี้และจะอดทนชี้แจงเรื่องเขาโคราชธนิกรพูดให้มากกว่านี้ การที่ไม่พูดก็ถูกโจมตีฝ่ายเดียวในที่สุดก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ตอนหลังก็ไปตลอดไม่ได้กลับมาตายที่ไทยในบทสัมภาษณ์นี้ท่านสรุปว่าท่านปรีดีนะเมื่อมีอำนาจก็มักขาดประสบการณ์ เมื่อมีประสบการณ์ก็มักจะหม ด, หมดอำนาจแล้วมันเป็นเป็นเรื่องหน้าเศร้านะเป็นไทเทเนีในการทำงานเป็นสงคนาจะกรรมอย่างนึ่คุณมีอำนาจแต่ขาดประสบการณ์มันก็ทำงานไม่ในเรื่องพอผ่านร้อนผ่านหนาวจนใกล้เกษียณประสบการณ์เพียบทำอะไรถังเกษียณไปแล้ว อย่าให้เป็นอย่างนั้นในขณะที่เรามีอำนาจคือไปเป็นอาัยาการเต็มตัวประสบการณ์ต้องพร้อมถือว่าโอกาสดีนี่ที่เขาให้มาเป็นอาัยาการผู้ช่วยเนี่ยเตรียมตัวเราก่อนหาประสบการณ์ก่อนไปดูงานไปศึกษาอะไรต่างอย่าถือว่า ไม่สำคัญหาประสบการณ์ก่อนที่เราจะไปออกแสดงเต็มตัวเนี่ยฝึกซ้อมให้ดีนี่คือโอกาสที่ดีที่เราและมันไม่ใช่เรียนเฉพาะงานรู้จักสังคมไทยใครไปอยู่ต่างประเทศนานศึกษาหาข้อมูลโจงเป็นคนปากช้าแต่หูตาไวก่อนจะคอมเมนต์อะไรยังไงฟังคนอื่นก่อน เพราะเราต้องรู้จักสังกบไม่ถูกถามอย่าตะกรามตะกะกล่าวไก่สามหาวมิช่ยามตะกรามขันกลัวไว้หน้ากล้าไว้หลังระวังทันคนทุกวันแปดเหลี่ยมและแปดคงถอดคติมาจากชีวิตของหลายหลายคนคงจื้อบอกว่า อย่าห่วงว่าคนไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่ไม่ต้องรีบโชว์ออฟอย่าห่วงว่าใครไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่ห่วงแต่ว่าสักวันหนึ่งเมื่อคนเขายกย่องท่านให้ตำแหน่งท่านท่านมีความรู้ความสามารถสมกับที่เขายกย่องท่านให้ตำแหน่งท่านหรือเปล่า เก่งจริงหรือเปล่าสะสมความรู้ประสบการณ์ภาษาพระเขาเรียกสะสมบารมีกว่าจะ ส, ะสะรรรุเป็นพระพุทธเจ้านี่สะสมบารมีมากี่ปีนี่คือสิ่งที่จะต้องตระหนักไว้ฉะนั้นถ้ามองในมุมมองของหลายประเด็นที่ก่ามมาเนี่ย การขาดประสบการณ์เป็นจุดด้อยขาดความรู้ขาดประสบการณ์เป็นจุดด้อยฉะนั้นถ้าเรามีความรู้มีประสบการณ์ ไ, มไหมว่าอย่างที่คงจอว่าความรู้ความสามารถเนี่ยคือประสบการณ์ท่านปรีดีหรือใครก็ตามก็จะตรงกับที่พระพุทธศาสนาสอนว่าปัญญาชีวิงชีวิตามาหูเศษถัง ปลาทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตที่มีปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดมันมีชีวิตหลายรูปแบบการอารงณ์ชีวิตชีวิตที่ใช้อารมณ์ตัดสินความรู้สึกดํำหน้าเนี่ยอะไรๆรก็แล้วแต่ความรู้สึก สังหรณ์ใจบ้างหรือความรู้สึกไหวาาตรงนี้ดีบางคนเขาจะมีสิ่งเหล่านี้แต่มันไม่มีฐานข้อมูลไม่มีปัญญาเนี่ยมันเสีย่ยงและมันวูบว่าชีวิตที่ใช้อารมณ์ตัดสินแต่ชีวิตที่ประเสริฐสุดคือชีวิตที่ใช้เหตุผลล้วนๆไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งสำหรับเรามันก็แห้งแรง น, นะแต่นั่นเป็นแบบของชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุด คือชีวิตที่ใช้เหตุผลมันจะไม่ทะเลาะกันหรอกแม้แต่ในในอาชีพในแคริเอ์นักกฎหมายเนี่ยคนที่มีปัญหาเพรา ะ, เ, ราะเคยไปเซ็นเคยไปมีมติเห็นด้วยเห็นชอบตามที่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองสัง่งเรามีผลประโยชน์มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยว แล้วตอนท้ายผู้มีอำนาจนั้นบทอำนาจเนี่ยน้ำลดต่อผุ น, นสอบสวนไปแล้วกลายเป็นว่าคนไหนบางเซนเห็นชอบไปบ้างโดนกันเป็นแถวซึ่งบางคนเขาไม่ค้านแต่เขาไม่ร่วมงวงเขาทำตามตัวบทกฎหมายดูรูนอัปลอหลักนิติธรรมคนเหล่านี้ปลอดภยัย ถ้ามันไม่ชอบมาพากกดไม่อะไรต่างไม่รวบเส็นไม่รวบลงนามใครจะว่าอะไรก็ว่ากันไปนั่นคือเหตุผลเราไปง้างกฎหมายเพื่อสนองความต้องการของผู้มีอานาจมันก็ได้ยุกใดยุกหนึ่งเหตุผลคือระบบกฎหมายทั้งหมดมันมีเจตนารมมันมีอะไรอยู่ในนั้นหมดแต่เราไปบิดเจตนารมไปหาช่องว่างในกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์ แล้วอาจจะได้ขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งแต่ระยะยาวมันไม่ใช่แต่ทุกคนมันมีมีอะไรเขาเรียกสิ่งยั่ว ย, ยุคให้เดินออกนอกระบบความถูกต้องเหตุผลคือความถูกต้องไปสนองอารมณ์ไปสนองความรู้ความต้องการของผู้มีอำนาจคนไม่มีปัญญาก็กเหมือนคนตาบอดที่เหยียบไปได้แม้บนไฟที่สองทาง เรื่องบางเรื่องเนี่ยพอไม่ใช้เหตุผลโนหลอกง่ายจะตายไปคงเคยได้ยินกรณีของการตกทองในบ้านเราเอาทองคำมาแลกทาเป็นว่าเก็บได้ในสนามบินแลกให้กับคนที่เดินผ่านมาคุณเอาไปเถอะขอใส่คอทองคำที่ขอคุณ โซ่ห้าบาทอันนี้เป็นแท่งนีสิบบาทง่ายดายหลือเกินเพราะเห็นทองที่เขาทำว่าเก็บได้ที่จริงเนี่ยเขามันแก้บวกไวเอาแล้วเอาทองจริงๆให้เขาไปเหมือนคนตาบอดใช่ไหมความโลกมันบังตาที่จริงพอไปขายร้านทองมันเป็นทองชุบ มีคติว่าวินาส ก, กาเลวิปริตาพุท ธ, ธิในยามจับพินาศความรู้มักวิปริตความคิดมันวิปริตเพราะอารมณ์มันบังตางเราไม่ใช้เหตุผลมันถึงถูกหลอกถูกอะไรต่างๆคนฉลาดเท่าฉลาดเนี่ยถูกหลอกการถูกหลอกทั้งๆที่เราฉลาดเป็นเรื่องปกตินะเพราะมันมีสถานการณ์ทำให้น่าเชื่อ การที่เราคิดผิดถูกหลอกให้ตัดสินผิดๆเนี่ยคืออคติโมหะคติเดี๋ยวจะพูดเรื่องอคติต่อไปนี่นี่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นชีวิตที่มีปัญญาเป็นชีวิตที่ตรงกันข้ามกับอคติความลำเอียงบางทีเราไม่รู้หรอกความลำเอียงด้วยความรู้สึกด้วยข้อมูลที่มันมาหลอกเราเนี่ยเหมือนกับเรื่องตองทองเนี่ย มันทำให้เราทำอะไรผิดพลาดความโลภ ก, ก็เป็นฉันทาคติใช่ไหมลำเอียงเพราะชอบเพราะอยากจะได้ความโกรธใส่ร้ายกันสังคมที่เดี๋ยวนี้เขาพิพากษากันทางโซเชียลมีเดียไม่ชอบใครเขาก็เอาข้อมูลจริงบ้างเท็จมากส่วนมากจะเท็จไปว่าร้ายคนอื่นจนเป็นเหตุให้เด็ก วัยรุ่นในหลายประเทศเนี่ยฆ่าตัวตายส่วนมากก็จะเป็นเด็กนักเรียนฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ไอ้คนทำก็ดีคนทำอาจจะเป็นโทสากติแสกสังคมพิพากษาตัดสินจนคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยต้องฆ่าตัวตายด้วยคนที่หลงเชื่อเป็นโมหากติ มันไม่ใช่ไม่ใช่สังคมแห่งปัญญาประเทศไทยเราถ้าอยู่กันด้วยปัญญามันจะไม่ทะเลาะกันขนาดนี้ที่ผ่านมาการใส่สีทางการเมืองเป็นสีนั้นสีนี้อยู่บนฐานแห่งอคติทั้สิ้นและเราลองวาดภาพว่าถ้าเกิดอยู่อสังคมไทยเกินฉลาดกระทันหันเนี่ยอยู่ด้วยปัญญาเนี่ย เมืองไทยมันจะสงบสุขและน่าอยู่เพียงใด น, นี่ก็คือเป็นสังคมในอุดมคติไม่ได้หมายความว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญานี่มันมันมันเกิดขึ้นไ่ายแต่เรามองว่ามันเป็นแบบแผนของชีวิตที่ประเสริฐที่สุดเราอยากได้ใช้อารมณ์น้อยหน่อยใช้เหตุผลใช้ปัญญากันมากขึ้น ซึ่งต่อไปเนี่ยมันคงจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่ายัางไม่ใช่ตอนนี้นี่คือสังคมนะที่เราอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยโซคราตีสนะเกิดยุกเดียวกับเพื่อเจ้าแต่อยู่ในโลกตะวันตกท่กกีกเขาบอกว่าอันอีกมีไลฟ์อิส o t นอร์ทเวิ ชีวิตที่ไม่ใช้ปัญญาตรวจสอบตนเองไม่มีค่าควรแก่การดารงชีวิตผู้คล้ายๆกันนะถ้าเราไม่ตรวจสอบตนเองเนี่ยตรวจสอบข้อบุ้ตรวจสอบ อ, อ, อะไรก่อนก่อนที่เราจะเชื่อนะมันเป็นชีวิตที่ไร้ค่าเป็นชีวิตของคนตามบอดที่ยไปได้แม้บนไฟที่สองทาง ฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าชีวิตที่มีการตรวจสอบเนี่ยสรุปแล้วชีวิตที่มีปัญญาคืออะไรคือเราก็ต้องตรวจสอบ i n v e s t ต g a t e ต้องรีเฟลชเช่นมองทบทวนถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นชีวิตที่ต้องตรวจสอบเนี่ยเครื่องตรวจสอบชีวิตคืออะไรถ้าเราอยากจะตรวจสอบชีวิตเรา มันไม่ใชใ่คนอื่นมาตรวจสอบแนะเราตรวจสอบตัวเราเองคือหัดมองด้านไหนปกติเราจะมองคนอื่นตรวจสอบคนอื่นเราไม่มีการประเมินตัวเราเองเราประเมินแต่คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราทําผิดพลาดเนี่ยเรามักจะรอให้คนอื่นมาว่าเราเพราะเรามองไม่เห็นตาของเรามีไว้มองข้างนอกมันไม่ได้มองตัวเองฉะนั้น เราต้องสร้างตาภายในสำหรับส่องกระจกให้ตัวเองตาภายในที่ส่องกระจกให้ตัวเองเนี่ยมันจะต้องมีคือสติสติเป็นเครื่องตรวจสอบตัวเองปลุกให้เราตื่น ตัดกระแสของการลบกวดสติคืออะไรอันนี้อันนี้พูดถึงพุทธภาสิทธิ์ก่อนเนดะีย๋ยวจะอธิบายว่าสติคืออะไรเราจะต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เรื่อยๆสติคือรู้ทันปัจจุบัน ภายในตนเองและภายนอกตอนเองสติรู้ทันว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นที่นี่เดี๋ยวนี้ที่เรามักจะใช้คำในภาษาอังกฤษว่า here and now ที่นี่เดี๋ยวนี้นั่นแหละพูดถึงสติ และส ต, ติตอนนี้เป็นคำที่ใช้กันไปทั่วโลกแล้วใช้คำว่า mindfulness แม้กระทั่งในวงการจิตวิทยา psychotherapy การรักษาบำบัดกิตตเวทเนี่ยใช้คำว่า mindfulness ทีนี้อธิบายตรงนี้ก่อนคำว่ารู้ทันปัจจุบันเนี่ยมันจะมีสอเรื่อง ที่เกิดข้างนอกเราคือภายหนเราณด้านหน้าเราตอนนี้เรามองเห็นอะไรเราได้ยินอะไรใจเราไม่ลอยไปที่อื่นเราอยู่กับปัจจุบันมองให้เห็นฟังให้ได้ยินเรียกว่ามีสติที่เขาบอกว่าขับรถจะมีสติเนี่ยตั้งสติก่อนสตาร์ทเนี่ยเพราะคนส่วนใหญ่มัวแต่ไปใส่ใจเรื่องอื่นขับรถไปตามเขาเรียกอะไรแรงกรกกะตุกกันนะ เจอไฟแดงก็เบรกโดยไม่ต้องใส่ใจเอเขาหยุดเราก็หยุดเขาไปเราก็ไปตามเส้นกนระตุกมันไม่ได้ใส่ใจบางทีโมแต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยก็เกิดอุบัติเหตุเยอะแยะไปไม่เห็นไฟแดงไม่เห็นไฟเขียวขับรถอย่างไม่มีสติคือใจไม่ได้อยู่กับสถานการณ์ที่กําลังทําปัจจุบันอันนี้เป็นเรื่องภายนอกแต่เรื่องของการตรวจสอบตนเองเป็นเรื่องภายใน เอากระจกส่องใจภาวะจิตสภาพจิตปัจจุบันถ้าเรากําลังโกรธมัจกจะบรรดาโทสะฆ่าคนตายด้วยบรรดาโทสะบางทีฆ่าคนอันเป็นที่รักทั้งทั้งที่เราไม่ได้ไตร่ตรองไม่ได้คิดอะไรเลยรักเขาพอฆ่าคนตา ย, ยถืออาวุธไปมอบตํารวจบรรดาโทสะ ในขณะที่บรรดาลโทสะจนฆ่าคนตายเนี่ยถ้าเขามีสติสักหน่อยเอาใจมองใจว่าตอนนี้เราโกรธสุดขีดนะตอนนี้เราหยิบอาวุธขึ้นมานะมันจะถามว่านี่ฉันกำลังทำอะไรแต่เนื่องจากว่าไม่มีการมองด้านในเนี่ยกระบวนการมันอารมณ์บันดาลโทสะสุดขีดก็ยิงเขาฝันเขาเนี่ยมันทำโดยปราศจากสติ สติถ้าตรวจสอบตัวเองมองด้านในมันจะหยุดนี่เรากำลังทําอะไรบางทีมันไม่รู้ตัวไลพคเวลาบรรดาโทสะมันเห็นช้างเท่าหมูวิ่งไปให้เขาเหยียบตายอะ่ะมันไม่มีสติแต่ถ้าสร้างสติก่อนมันจะมองว่าเรากําลังจะทําอะไรทาไมจะต้องวิ่งไปให้เขายิงตายบางทีในในฝูงชนที่แพนอิ่ไม่ให้ยิงแต่ให้เหยียบตายอะ่ะ ในเมื่อไฟดับห้องมืดคนตกใจวิ่งกลูไปทางออกเราก็วิ่งไปด้วยโดนเหยียบตายไม่ได้ตั้งสติตก่อนที่จะเริ่มต้นวิ่งแต่ถ้าเรามองใจตัวเรามองตัวอรเวื่าเรากลัวสุดขีดเรารู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เราเรียกว่าจิตโกรธก็รู้ว่าโกรธเศร้าก็ให้รู้ว่าเศร้ากลัวก็ให้รู้ว่ากลั ว, ลวแค่นี้เป็นสติต ในขณะที่เราโกรธเรารู้ว่าเรากำลังโกรธนี่คือสติมองเอาใจมองใจปัจจุบันเกลียดก็ให้รู้ว่าเรากำลังเกลียดซึ่งส่วนมากคนไม่รู้มันจะทำไปตามๆกันไป เ, เพิ่งกลับจากงานกิ่งเมื่อวนสื่อเนี่ยเขาพาไปดูพิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่น ในก่อนสงครามโลกเนี่ยสักสอง ส, งสงปรีก่อนสงครามโลกครั้งที่สองส่งทหารบุกนานกิงซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนตอนนั้นสมัยเจียงไคเช็กกองทัพญี่ปุ่นเข้าไปในเมืองได้สังหารโหดพลเรือนนะซึ่งเขามีรูปถ่ายเก็บไว้แสดงในพิพิธภัณฑ์ คนหลายคนไม่อยากไปดูมันโหดจริงแต่เรื่องทั้งหมดฝ่ายที่จัดทำบอกว่ามันได้มาจากการสอบสวนของศาลอายากาลสงครามเวลาญี่ปุ่นแพ้ก็ต้องขึ้นศาลคนที่สั่งการให้ไปฆ่าคนในนาเก่งเนี่ยเป็นนายพลใหญ่เนี่ยโดนขึ้นศาลแล้วเขาก็ มีฝ่ายโจมมีฝ่ายวิ c ติมมีใครต่อใครเนี่ยให้คอมูลหมดว่าข่าคนไปเท่าไหร่ในคำพิพากษาเนี่ยสองเกินกว่าสองแส0คนแต่พิธาพันธ์เขียนว่าสามแส0ผู้หญิงถูกข่มขืนในคำพิพากษาของศาลอาญากรสงครามก็จะแขวนคอในคนญี่ปุ่นคนที่สั่งการเนี่ยเขาพิพากษาผู้หญิงถูกข่มขืนสองหมื่น 20, คน ที่มาตอนหลังมาทำเป็นภาพพยนต์ว่า Rave of นา n ก i n g สิ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการขึ้นศาลเกมหลักฐานไวบหมดเพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆที่วางเอาไว้เนี่ยเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วถ้าถ้าคนดูไม่ตลอดสายไม่ได้ดูด้วยปัญญาเนี่ยก็จะมีความรู้สึกถึงความโหดร้ายถึงอะไรต่างๆแต่ถ้าดู ดูให้มันจบนะในวิกฤตมันก็มีสิ่งที่ดีงามในขณะที่ฝ่ายที่ไล่ค่าพลทหารญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสนแเสนเนียนะเขาทำเป็นวิกฤตนะมีคนตั้งคำถามว่ามันฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาได้ยังไงเอาเด็กโยนขึ้นไปเด็กร้องมาโยนไปเอาดาบไปปืนแทงในขณะนั้นเนี่ยคนที่ทำไม่ได้มีสติเลย ถ้าลองมองย้อตัวเองว่าฉันกำลังทำอะไรเนี่ยมันทำไม่ได้มันจะเกิดมนโนธรรมสํานึกถ้ามีสติมันไม่บ้าคขัางอย่างนั้นในวิกฤตนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่แสดงถึงมนุษยธรรมชาวต่างชาติซึ่งคนญี่ปุ่นที่เป็นฝรั่งทั้งหลายที่ที่คนญี่ปุ่นเขาไม่เป็นแต่ทางญี่ปุ่นเขาตั้งที่หลีไผยในบ้านเขาเอาคนจีนเนี่ย เข้าไปหลบภัยในบ้านไม่ให้คนญี่ปุ่นทำร้ายวัดหลายวัดอย่างวัดที่เราไปเยี่ยมเนี่ยเอาคนสองหมื่นคนเข้าไปอยู่ในวัดโดยที่เขาแสดงนะแล้วเราก็ไปเยี่ยมวัดด้วยที่ขึ้นเนี่ยมีภาพมีอะไรญี่ปุ่นเขาบังเอิญเขาเคารพนับถือวันดนี้พระศักดิ์สิทธิ์คนญี่ปุ่นเคยเอาพุทธรูปไปแล้ว ไฟไม่ไมบ้านเขาเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปยุ่งกับวันนี้สองหมื่นคนคนไปแอร์อัดกันอยู่นี่เรื่องที่เราเห็นอีกอันหนึ่งคนจีนที่เป็นคณะตุลาการด้วยหลายๆชาติเขาให้สัมภาษณ์ว่าทำไมยังต้องตัดสินแขวนคอคนคนนี้ หมายถึงคนและพรรคพวกเขาของญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาเขียนว่านี่ไม่ใช่การแก้แค้นแต่ต้องการให้สังคมตระหนักว่าเรื่องรายๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยปะละละเลยมันมีการลงโทษ ถ้าไม่ทำอย่างนี้ความรุนแรงเช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตและก็ในฝ่ายผู้แสดงเขาก็สรุปว่าประวัติศาสตร์ก็คือประวัติศาสตร์ไม่ได้ประจานใครไม่ได้ให้เกิดกา ร, รเกลียดชังแต่ถ้าคนลืมประวัติศาสตร์ เหตุการณ์เลวร้ายเช่นนี้อาจจะรีพีทคือกลับมาเกิดได้อีกกลับมาเกิดได้อีกและความรุนแรงมันก็ไม่จบคนควรจะเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสังวรระวังอ่านตรงนี้แล้ว่วงประเทศไทยคนไทยหรืไง่าย เรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเป็นความลับรวมพรางไม่มีการทำงานวิจัยมาสรุปไม่ว่าเกิดความรุนแรงในประเทศไทยกี่ครั้งกี่ครั้ง1ิตซีโลารเนรุ่นพวกเราไม่รู้เรื่องหรอกมันเกิดยังไงอะไรมันไม่มีประวัติศาสตร์ที่ให้คนสังวดระวังมันก็ซ้ำตัวมันเองเมื่อตึกเ o ิ l d t เ a รนโดะถลม่มอ่ะ ที่เราคนไทยมักจะดูแค่ภาพเครื่องบินบินจนตึกเวิร์ทรีนสองตึกรัฐบาลสหรัฐเขาตั้งคณะกรรมการสอบสวนสอบสวนเสร็จเอาคำสอบสวนเนี่ยพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกหนาเกือบหนึ่งพันหน้าไม่มีใครอ่านคนไทยก็ไม่อ่านวางขายตอนนั้นเียวางขายตาสนามบินไปเห็น ซื้อมาหนึ่งเล่มอ่านตั้งแต่ต้นจนจบเขาก็มีวัตถุประสงค์คือเอาไว้แก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนี่คือสังคมแห่งปัญญาดังนั้นการที่เราจะมีปัญญาเนี่ยมันต้องเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้สังคมเรียนรู้อะไรต่างๆมากมาย คนฉลาดมีสองแบบแบบที่หนึ่งเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองแล้วไม่ทำสังนี่คนประเภทที่หนึ่งคนฉลาดประเภทที่หนึ่งคนฉลาดประเภทที่สองไม่ต้องรอให้ตัวเองผิดพลาดแล้วไม่ทาแต่เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นแล้วเราไม่ทำ ทำไมเราจะต้องรอให้เราผิดพลาดแล้วเราไปไปทําอ่ะทําไมเราจะต้องไปตกหลุมก่อนแล้วพอหลังจะได้ไม่ตกมันมีป้ายบอกว่าคนมาตกนี้กี่คนแล้วเราอยากให้เห็นสังคมแบบนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาผิดพลาดเราอยา่าเราก็เรียนรู้เราอย่าไปทําอดีตของเราผิดพลาดเราอย่าไปทำแต่ดีที่สุดก็คือมันผิดพลาดที่ไหนเอามาเป็นบทเรียนให้เรา เรามาในรุ่นหลังมันได้เปรียบกับคนรุ่นกันก่อนเพราะคนรุ่นกันก่อนเขาทาอะไรผิดพลาดไว้เขาเล่าเขาบันทึกไว้ตรงไหนเราเรียนรู้และอย่าไปทำซ้ำในจังหวัดที่เราจะไปทำงานมันมีประเด็นอะไร ท, ที่ที่ต้องสังวรระวังเราก็ศึกษาเอาไว้ดังนั้นสิ่งที่สำหรับคนฉลาดที่มีปัญญานี่ ไม่จําเป็นจะต้องไปผิดพลาดก่อนคนอ้างขงจื้ออีกขงจื้อบอกว่าเมื่อเห็นคนสองคนเดินสวนทางมาคนหนึ่งเป็นคนดีอีกคนหนึ่งเป็นคนเลวทั้งคนดีและคนเลวเป็นครูของเราได้เท่าๆกันเห็นคนดีเดินสวนทางมาเราพยายามเอาอย่างเขา เห็นคนเลวเดินสวนทางมาเราพยายามไม่เอาอย่างเขาความผิดพลาดความล้มเหลวของคนอื่นของเพื่อนร่วมอาชีพเราอย่าไปทําตามก็แค่นั้นฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเรากําลังทําอะไรเราผิดพลาดตรงไหนรู้ว่าเรากําลังทําอะไรปัจจุบันเนี่ยเป็นสติ แล้วเราควรจะทำต่อหรือไม่เป็นปัญญาสองคำนะสติคือตรวจสอบตัวเองว่าเรากำลังจะพูดอะไรกาลังจะทาอะไรรู้รู้ทันตัวเองก่อนนี่คือสติและถามตัวเองแล้วมันควรจะทำต่อหรือไม่ถ้าตอบว่าควรหรือไม่ควรเนี่ยเป็นความรู้มากกว่าสติเขาเรียกปัญญา ปัญญาจะบอกว่าจะทำอะไรต่อไปบางคนขาดสติคือไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรบางคนขาดปัญญาคือรู้ตัวแล้วยังไม่รู้ว่ามันถูกมันผิดรู้ว่าฉันโมโ oh หแต่ฉันก็ระบายอารมณ์ต่อไปไม่รู้ติดคุกกี่ปีอย่างนี้เพราะขาดปัญญาคนที่สมบูรณ์คือคนที่มีความรู้ว่า อะไรควรหรือไม่ควรและเราจะทำหรือไม่ถ้ามันไม่ควรและถ้ามันเป็นหน้าที่เราจะต้องควรทาปัญญามันจะสั่งให้ทาสติจึงเป็นฐานของปัญญาสติเป็นฐานของปัญญาท่านจึงในในคนทั่วไปมักจะใช้คำว่าสติปัญญา แต่มันเกิดไม่พร้อมกันนะสติมาปัญญาเกิดสติเกิดก่อนคือรู้ตัวว่ากำลังจะทำอะไรเนี่ยต้องมาก่อนรู้ตัวว่ากำลังจะทำอะไรเป็นสติและสิ่งที่เรากำลังทำนี้มันควรหรือไม่มันถูกหรือผิดควรจะเดินหน้าต่อไปหรือไม่หรือควรหยุดอันนี้เป็นความรู้ขั้นปัญญา ฉะนั้นในในการที่เราอยู่ซักคานพยานเนี่ยในศารถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ว่าเรากำลังพูดอะไรเขายั่วให้โกรธเราไม่โกรธเราก็ซักไปเรื่อยๆแต่เมื่อมันเข้าประเด็นแล้วหมายความว่าฝ่ายอื่นเขาพูดผิดพลาดแล้วหรือได้ประเด็นแล้วเขาให้หยุดไม่ต้องซักต่อไปแล้วเพราะมันมันมันเข้าประเด็นแล้วมันได้เรื่องแล้ว ตรงนี้เป็นเป็นทั้งสติเป็นทั้งปัญญาปัญญาทำให้รู้ว่าเมื่อไรควรหยุดเมื่อไรควรจะต้อนให้เขาเข้าประเด็นมันไม่ใช่สรุปไปเรื่อยสติมาปัญญาเกิดสติตเตลน์มักเกิดปัญหาเวลาที่เราตั้งสติไม่ได้แพนิคเหมือนคนขับรถอธิที่ว่าเนี่ยคนขับรถทัวร์เนี่ยนะแล้ววิ่งหนีเลย เกิดปัญหาวุ่นวายหมดเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็มาถามว่าสติมีเอาไว้ทำอะไรสติมีหน้าที่เตือนตบใส่เบรกให้กับเราหรือเราควรจะไปอย่างไรอัต น, นาโจทยั ต, ตาหนัง จดจมเตือนตอนด้วยตนเองถ้าเรามีสติเมื่อไหร่แสดงว่าธรรมะเกิดขึ้นในใจเราแล้วนะเพราะเราจะเข้าสู่ระบบของปัญญาธรรมะเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่เรื่องของอารมณ์จมเตือนตอนด้วยตนเองเมื่อเราเตือนตอนด้วยตนเอง เราจะสอนตนปิ้งปลาหมองอแล้วกลับนี่ําขบเจ็บแล้วจาใส่กระบาล น, นี่ขันไขผิดแล้วแก้กลับตัวเปลี่ยนหัวใจจะมีใครมาวนไม่สอนตนแต่นี่เราเรียกคนฉลาดแต่ยังไม่ฉลาดที่สุดคนฉลาดที่สุดไม่ต้องรอให้เจ็บแล้วค่อยจํา เรียนรู้จากความเจ็บปวดของคนอื่นแล้วเอามาสอนตนนึกถึงคําของรูปใบย่านไหมล่ะในรูปใบยาานดูหนังดูละครแล้วย้อนดูตัวขำอุราหน้าหัวเต้นยั่วอย่างฝันดูหนังดูละครเรื่องคนอื่นเอามาสอนตนเลยอย่าว่าแต่หนังละครับประวัติศาสตร์ด้วย ความสำเร็จความล้มเหลวเนี่ย ม, มันมักจะวนนะของคนในอดีตมันกลับมาเพียงแต่ว่าเราจะเป็นตัวไหนเท่านั้นแหละเราจะเป็นตัวดีตัวร้ายหรือตัวที่ถูกกระทําถ้าเราเรียนปรติสานมันจะสอนตัวเองได้ทีนี้คำว่าสอนตนเนี่ยในสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ สอนตัวเองไม่ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของอารมณ์ความรู้สึกซึ่งในการตัดสินคนมันจะมีอยู่4แบบเขาเรียกความลำเอียงลำเอียงคือไม่ตรงเนี่ยมันเอียงไปเอียงมาด้วยอานาจของอคติ4อย่างคนที่ทำงานด้านกฎหมายเนี่ยต้องมีสติตรวจสอบว่าเราตกเราจะตัดสินใจภายใต้อานาจของ ความลำเอียงต่อไปนี้หรือไม่ลำเอียงเพราะชอบชอบในที่นี้หมายถึงชอบคนที่จะถูกตัดสินชอบผลให้ข้อมูลข่าวสารชอบผลประโยชน์ที่จะเกิดจากการตัดสินนั้นบนฐานของความโลภก็นนะเราเราตัดสินด้วยจิตบริสุทธิ์หรือด้วยอำนาจของ ความชอบความพอใจบริษัทซ p พจ้างพนัก ง, งานต้อนรับดูแลคนเขาจะเลือกเอาบุคลิกหน้าตาดีพูดดีรวมถึงเซลล์ด้วยขายของหน้าร้านเพราะ คนจะมีอาคันติถ้าบุคลิกดีหน้าตาดีเชื่อไว้ก่อนบอกให้บอกอะไรก็เชื่อว่าสินค้าดีหรือเรื่องนั้นเรื่องนี้ดีและที่สำคัญเวลาผิดพลาดเนี่ยเขาได้มาจากอะไรรู้ไหมเขาได้มาจากการวิจัยในห้องเรียน ทำไมเด็กที่หน้าตาดีเนี่ยจึงมักไม่ถูกครูด่าหรือลงโทษครูจะเมตตาเอ็น ด, ดูเป็นอคติมันไม่ใช่ว่าเด็กหน้าตาดีอะไรดีมันเก่งกว่านะแต่ครูจะมีอคติเ่อนข้างลูกหน้าตาดีพ่อแม่ก็เป็นแบบ น, นั้นไม่ได้ดูไปถึงข้างในเพราะฉะนั้นเขาจึงเอาหลักการนี้เนี่ยไปใช้ในธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นพวกรีสอร์ทเชนิสต์พวกขายขายขายของพวกอะไรก็ต่างเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนหน้าตาดีขอโทษประโยคเดียวเลยคนอภัยง่ายกว่าอืออันนี้เป็นงานวิจัยของที่ซีพีเขาเอาไปที่เขาไปเปิเปดในจีนเนี่ยคนเยอะมากเป็นคนงานเขาเป็นอาจจะเรียกว่าหลายแสนคนในจีนในเมืองไทยก็เหมือนกัน อคติมันเกิดมันมีทีนี้ถ้าเราไปไปดูหน้าตาคนเนี่ยหน้าตานี้ดีไม่น่าจะเป็นฆาตกรเยมันมันทำให้เรามีอคติคือมีความลำเอียงล่วงหน้าไว้ก่อนและมองข้ามเหตุผลมองข้ามฆาตกรตัวจริงไปนี่คือฉันทาคติโทษาคติก็เหมือนกัน พอเห็นหน้าบอกหน้าตายยังกระโจนใช่แน่ๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้คือคําว่าโทสะไม่ใช่โกรธนะคือไม่ชอบก็ได้แล้วตัดสินเพราะเราไม่ชอบหนะ้าหรือเพราะมีพื้นฐานอะไรก็ตา่างคนที่ให้ข้อมูลเนี่ยบางทีเป็นคนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ฟังเขาทําไมคนทะเลาะกันมันอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมันดีกันไม่ได้เพราะมันมีโทสะกติ ไม่ไว้ใจกันมันจึงต้องหาคนกลางหาผู้ใหญ่มาครอบครัวที่มันแตกแยกเนี่ยเวลารักกันก็ดชอบดีกันเชื่อกันหมดไม่ได้ดูว่าเขาพูดจริงพูดเท็จเลยพราะโกรธการขึ้นมาทะเลกกาะกันขึ้นมาพูดอะไรก็ผิดหมดไม่ได้ฟังตามความเป็นจริงอคติคืออะไรคือมานบังตาคือแว่นสีที่มันใส่ถ้าเราถอดแว่นเราจะเห็นของจริง พอเราเอาเว่นมาใส่มันมีใส่สีใช่ไหมเราจึงไม่ได้มองตามความเป็นจริงไม่ได้มองได้ปัญญาปัญญาคืออะไรรู้เห็นตามความเป็นจริงถ้าเรียกว่าปัญญาถ้าเรารู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเรามีปัญญาแต่ที่เราขาดปัญญาเพราะเราไปเชื่อสิ่งที่เอาเว่นสีมาใส่เราถ้าเรารู้ตัวเราก็ถอดแว่นก่อน เก็บอคติมันไม่ใช่ว่าเราไม่ฟังนะแต่เก็บไว้ก่อนเรื่องนี้มันมีทั้งฝ่ายเสนอฝ่ายค้านมาฟังฟังไว้สองแบบนั่นแหละแต่เก็บไว้ก่อนหาข้อมูลตามความเป็นจริงถ้ามันจริงตามที่ฝ่ายใส่ร้ายเ อ, อ้านี่เขาแสดงว่าเขาใส่ร้ายจริงถ้ามันจริงตามที่เขาแก้ตา่างเออใช่แต่ไม่ใช่ฟังเขาแล้วเชื่อทันทีฟังหูไว้หูหน่ยฟังแล้วเก็บเอาไว้ เหมือนอ่านหนังสือเนี่ยมันจะมีคำอยู่ในวงเล็บอาจจะเป็นภาษาต่างประเทศก็ได้คําในวงเล็บเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่ต้องอ่านคนไม่รู้ภาษาอังกติเขามีวงเล็บภาษางกติไซดเยอรมันไม่ต้องอ่านใส่วงเล็บไว้ข้ามไปก่อนต่อเมื่อเราไปเปิดดิกหรือเรารู้ภาษานั้นเราค่อยมาตรวจสอบว่ามันจริงไม่จริงปฏิบัติต่อข้อมูล ที่แต่เราไม่ได้ลบทิ้งเนะื้อไอซี่อยู่ในวงเล็บมันก็ยังอยู่ในวงเล็บ่แหละแต่เราจะมาดูว่าที่เขาใส่วงเล็บมันผิดหรือถูกค่อยมาตรวจสอบทีหลังปฏิบัติต่อข้อมูลที่เราได้มาจากฝ่ายค้านฝ่ายเสนอเหมือนกับใส่วงเล็บและเราไปอ่านนอกวงเล็บคือดูข้อมูลล้อมรอบด้วยตัวเองเพิ่มเติมแล้วค่อยเปิดวงเล็บ ถ้าเรารู้ภาษาเขาไม่ได้ปฏิเสธเพราะโทสากติและไม่ได้เชื่อทันที ม, มีเรื่องวงเล็บเนี่ยนะเกิดผิดพลาดพระไตรปิฎกที่สี่สิบห้าเล่มเนี่ยสี่สิบห้าเล่มพิมพ์ตอนในหลวงรัชกาลที่เก้าเฉลิมพระชนม์ภาษาอาจะ กาจนาพิเศษของราชห้าสิบปีหรือไง เ, เป็นภาษาบาลีทำกันโดยสำนักพุทธโดยอะไรต่างเนี่ยยิ่งใหญ่เลยใช้เวลาสามสี่ปีกว่าจะออกมาพอไปวางในท้องตลาดต้องเรียกกลับคือเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยสมมติว่าสุนาโตเมพันเตสังโคเนี่ยเขียนไปงี้ แล้วมันมีวงเล็บแทรกเข้ามาด้วยพิมพ์ไปแล้วนะนะวงเล็บนั้นว่าอ่านไม่ออกคําว่าอ่านไม่ออกมันมีวงเล็บอยู่ในคําบาลีเนี่ยในพระใจพิสดกของพระเจ้าเนี่ยมันมาได้อย่างไรปกติก็ภาษาบาลีก็ว่าไปเรื่อย เ, เป็นคําศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าแต่บังเอิญคนพิมพ์เนี่ยเวลาเขาอ่านไม่ออกเขาวงเล็บไปด้วยเพื่อจะมาแก้ทีหลังแล้ว ลืมวงเล็บไว้ไปทำอาร์ตวงเลยมันก็ไปอยู่ในพระใจมีดกด้วยฉบับอ่านไม่ออกอะ่ะแล้วพิมพ์ถวายในหลวงด้วยยี่สิบปีไม่ได้พิมพ์ซ้ำเลยเพราะต้องหาว่ามีอ่านไม่ออกกี่คำอันนี้เป็นโมหาคติเราอะเราตรวจพรูฟนี่นะอะไรที่ มันผ่านตาเนี่ยมักจะนึกว่าไม่ผิดไม่ได้ลงในรายละเอียดคนที่เขียนบทความเองพิสูจน์อักษรในบทความของตัวเองมันจะอ่านไหลลื่นรู้เรื่องบทและตอนหลังวิริพลเราผิดมันต้องให้คนอื่นอ่านบ้างเขาจะจับผิดเราเราไปสรุปเพราะ ชอบว่าเออเขียนดีแล้วินเนี่ยเราเขียนเองดิเออสะกคผิดไม่รู้ตัวหรือพ่อหลงนึกว่าเออมันผ่านตาไม่ได้ดูให้ดีลักเอียงพ่อหลงเนี่ยมันไม่ได้เกิดเองหรอกบางทีมันถูกสถานการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าจะสมมติว่าคนเอาข้อมูลด้านเดียวเนี่ยมาให้เราเ คนนี้ก็พูดคนนี้ก็พูดว่าคนนั้นไม่ดีเนี่ยนะถ้าพูดหลายๆคนนะี่มันจริงนะเราหลงตามคนจำนวนมากเป็นโมหากติโดยไม่รู้ตัวเขาทดลองกับนักโทษประหารสมัยก่อนเนี่ยนะทางงจิตวิทยาย เพราะตัดสินว่าประหารก็บอกเราจะประหารด้วยวิธีใหม่ไม่ยิงคุณนะไม่ลงแกส๊สแต่จะเจาะเส้นเลือดเส้นเลือดคุณเส้นเลือดใหญ่เส้นเลือดแดงให้เลือดที่มันไหลจนตัวแห้งไปเลยอะ่ะตายแล้วก็ผูกตาเขาจับมัน แล้วก็เอาถังมารองไว้ข้างล่างว่าเลือดคุณมันจะหยดใส่ถังเนะี่ยเสียงเลือดหยดเป็นอย่างนี้อย่างนี้เอาละปิดตามันแล้วก็เอามีดมากรีดเบาๆนี่ยนะเลือดซิบๆนี่แหละแต่ก็มีท่อยางปล่อยน้ำให้หยดเหมือนเสียงเลือดหยดหยดลงพอคนเก็บ ที่ถูกกรีดเนี่ยได้ละได้ยินเสียงเนี่ยเขาก็นึกว่าเลือดเขากำลังหยดหมดตัวพอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขานึกว่าเลือดมันหมดตัวแล้วเขาตายแหละเขาสลบไปเลยเน่ะเขาเนว่าเขาตายมันทําให้เกิดอากาติความคิดร่วงหน้าลองลองลองเดินไปเนี่ยนะเพื่อนๆตลกลงกันนะเจอ คนแรกชั้นสิบเอ็ดทำไมวันนี้หน้าซีดจัดนะถ้าห้าคนทักว่าหน้าซีดอีกคนจะให้ไปโรงพยาบาลเนี่ยเรานึกว่าเราป่วยนะไม่ต้องอะไรมากการทดลองทางจิตวิทยาให้พวกเรานักศึกษาเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุก่มแยกเป็นคนละห้อง แล้วให้บัตรคำให้อ่านและให้พูดซ้าๆตามบัตรคำผ่านไปหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเดินออกมาจากห้องเนี่ยจะเดินไม่เหมือนกันห้องหนึ่งให้มีแต่คำว่าหนุ่มสาวกระฉับกระเฉงเก่งเร็วมีคำประเภทอย่างนี้ให้ท่องให้พูด อีกห้องหนึ่งให้มียจะคำว่าแก่ตายไม่เที่ยงปลอมอันนี้จังอะไรก็ท่องไปเถอะนะเสร็จแล้วปล่อยออกเดินมาไอ้พวกแก่นี่เดินจะตายวันตายพรุ่งเนะี่ทางจิิยาเขาเรียกทฤษฎีพรายมิงเรามักจะเรียกว่าเฟรมนะในทางอัจฉริับแต่พรายมิงก็คือการทำให้เราเขาเรียกจุกใจ และจงใจนี่คือที่มาขององคติโดยเฉพาะโมหาคติเราต้องระวังลำเอียงเพราะหลงซึ่งถ้าข้ามพ้นอคติเหล่านี้เนี่ยเราก็เกิดปัญญานักกฎหมายต้องหาความจริงต้องหาปัญญามิฉะนั้นเราจะไม่ไม่ถึงขั้นที่ว่าให้ให้ประโยชน์ ประโยชน์กับความสงสัยอะ doubt เพราะมันไม่ถึงปัญญาอคติมันเกิดตัดสินแล้วมันเกิดเกิดอคติทีนี้ลาเอียงเพราะชอบเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวสุด ท, ท้ายเนี่ยในกลัวนี่ก็ค่อนข้างจะ ไปแตะต้องไปได้เพราะเรื่องนี้ถ้าไปแตะต้องแล้วเจอรังแตนบ้างเจอผู้มีอํานาจในสุดเราก็เลยไม่รู้ความจริงเลสังคมไทยอยู่กับความมืดลับรวมพลางนี่เยอะเพราะว่ามันมีสิ่งที่ต้องห้ามในการที่จะไปล่วงลูกเพราะฉะนั้นเราก็สรุปของเราเองว่าเรื่องนี้มันคงได้ยข่าวลือมันถึงเยอะข่าวลือมาจากซุบซิบกันเนี่ยพูดดังๆไม่ได้ปล่อยข่าวลือเพราะความกลัว แต่การค้นหาความจริงของนักกฎหมายต้องไม่อยู่บนทางของพยาคติด่วนสรุปด่วนสรุปเพราะชอบเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวเป็นเรื่องของอักติและเวลาที่เราจะด่วนสรุปเนี่ยเรารู้ตัวไม้มเรามีสติไหมถ้าเรารู้ว่าเราตกอยู่ใต้ชอบชังหลงกลัวมีสติแล้วเราควรจะทำไหมไม่ควร เราควรจะแสแวงหาความจริงด้วยปัญญาสติมาปัญญาเกิดสติตเลิดมาเกิดปัญหาเฉพาะเรื่องอคติเนี่ยนะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ในกาลามาสูญอย่ามีอคติเพราะเหตุสิบประการไปศึกษาดูมันเยอะอย่าดูนสรุปนะไปดูในกาลามาสูตรนยะนั่นแหละคือตัวอย่างของการสู้กับอคติ เมื่อเรามีสติแล้วเรื่องนี้เราจะสรุปไหมอย่าดวนเชื่อเพราะฟัง ต, ตามๆกันมานะอย่าดวนเชื่อนะข้อแรกมาอนุสาวรียนะอย่าดวนเชื่อเพราะว่าฟัง ต, ตามๆกันมามาอิติกิริยะอย่าดวนเชื่อเพราะมันเป็นข่าวลือมาแม้กระทั่งว่าอย่าดวนเชื่อเพราะมันดูน่าเชื่อ มาพัพพารูปรตายะอันนี้จะไม่เพราะมันเยอะนะไม่ไม่แค่สรุปให้ฟังอีกอันหนึ่งมาทิฏฐินิชานักขันติยายาด่วนเชื่อเพราะมันเข้ากับความเห็นที่เรามีอยู่แล้วทิฏฐินี่คือวิธีที่ตรวจสอบตัวเองว่าเรื่องนี้นี่เราสรุปแล้วใช่ไหมในใจเราเรียกว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างไรอย่างงี้เลยไม่หาไม่ฟังข้อมูลเพิ่มเติม ทำไมเรื่องเชอร์ร็อกโฮมจึงสนุกเพราะว่ามันเทียบระหว่างตำรวจสกอตแลนด์ที่เขาสรุปล่วงหน้าไว้ก่อนว่าใครผิดด้วยความคิดล่วงหน้าในขณะที่เชอร์ร็อกโฮมใช้ปัญญาหาความจริงซึ่งมันคนละเรื่องคนก็เลยสนุกในการอินเวสติเกตในการตรวจสอบเพราะข้ามพน้นอคติหน้าที่ของ ฝ่ายอายการฝ่ายที่ทำงานนั่นหมายคือเสนอความจริงให้สารถ้าเป็นความจริงด้านเดียวแล้วออกมาโฆษณาด้านเดียวเนี่ยเขาเรียกโปรโมรการ์ได้นในสังคมเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อโปรโมรการด้นเนี่ยโฆษณาชวนเชื่อคือเสนอความจริงด้านเดียวและส่วนมากในหนังสือพิมพ์เนี่ยในประเทศเราเนี่ยนะ เขาจะเสนอความจริงด้านเดียวเขาเรียกถ้าในต่างประเทศเขาเล่นหนังสือพิมพ์หัวสีมีสีต่างๆเนี่ยคนอ่านจะต้องรู้ไว้ก่อนว่านี่มันด้านเดียวนะแล้วแต่พักไหนตั้งแล้วแต่ฝ่ายไหนมันไม่ใช่รอบด้านถ้าหนังสือพิมพ์ที่ไม่มีสีเนี่ยในต่างประเทศอย่างวอชิงตันตันโพสอะไรต่างเนี่ยเขาดังอย่างเงี้ยเขาจะแยกนะนีนเน่เป็นพวก investigative report แต่สังคมไทยเราเป็นสังคมที่มีแต่หัวสีหนะั รวมถึงทีวีด้วยน่าสงสารผู้บริโภคนะี่นตรงนี้ไม่รู้ทำไมมันไม่พัฒนาสักทีเนี่ยนะแล้วเราจะเชื่อใครแต่คนก็ต่างคนละสีสีแดงสีเขียวสีเหลืองเต็ไมไปหมดเลยถ้าเราเราเอาพวกนี้ออกเราเอาปัญญาอย่างอีกทีเนี่ยนะสังคมไทยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกซึ่งในต่างประเทศเขาผ่านมาตรงนี้แล้ว เขาให้คนบริโภคเลือกได้ด้วยซุกซิบกม็มีถ้าซื้อหนังสือที่ประเภทนี้ซุกซิบเรื่องนั้นเรื่องนี้คนก็รู้เขาอ่านแล้วก็ยังอยู่รู้สึกสดุกดีแต่ว่าฝักหูไว้หูแต่คนไทยถ้าพลาดหัวแล้วมันจริงหมดไม่ได้รู้ว่าวิธีเสนอข่าวเนี่ยมันอยู่บนฐานอ่านคติและจริงๆมันก็อย่างนั้นคนอ่านก็มีคติไปด้วยทําไมคนทะเลาะกันเพราะดูทีวีอยู่ช่องเดียว สมัยหนึ่งเนี่ยเมื่อหลายปีมาแล้วดูอีกช่องหนึ่งก็จะตกไปข้ามเลยแล้วก็แบ่งสังคมออกเป็นขั้วนั่นแหละถ้าเราพ้นจากอาคติรู้ตัวก่อนแล้วก็ไม่เชื่อง่ายอย่างที่ว่าเพราะมันน่าเชื่อเพราะตักกะเพราะอะไรต่างๆในกาลมาสเ น, นี่ยมันจะเป็นสังคมแห่งปัญญานะรวมแล้วสรุปแล้ว ผู้รักษาความยุติธรรมธรรมะสันนิษฐานกฎหมายสรุปอยู่ในประโยคพระบาลีนี้ที่บุรุษเจ้าตรัสไว้อส า, าเนเสนะธรรมเณระสมนะนะตีปะเลยเป็นต้นเนี่ยนะธรร ม, มะโถติปวุจเตอันนี้คือพุทธภาสิตสําหรับสําหรับนักกฎหมายเดี๋ยวจะแปลให้ฟัง อาจจะเขียนยากหน่อยนะอะสาหาเสนธรรมเมนะมมนะตัวนี้คือตัวสะกดตนะตัวนี้เท่ากับไมหัากาศธรรมเมไม่มีสระอ่นะแต่เขาอ่านเป็นสระอ่ะสาหะถ้าไม่มีสระอะเป็นห่อเฉย ๆ, ๆเขาอ่านเป็นสระอ่านหมดอะสาหาเสนธรรมเมนะสัเ ม, มนะณย ะ, นะนติปะเรสระอ่านไม่มีรูป ถ้าถ้ามีจุดตรงนี้เขาหมายถึงมหางกาศธัมมัสสะถ้าจุดตรงนี้สแสดงว่าเป็นตัวสะกดไม่ได้อ่านสะอาดธัมมัสสะคุตโตเมทาวีธัมมัทโถเนี่ยเป็นมหางากาศหมดอนะธัมมัทโถปอปลาตัวเดียวไม่ใช่ตัวสะกดรตเขาเรียกวมีสระปะวุจจติ จอมีสองตัวถ้ามีจุดตัวนี้แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวสะกดตัวนี้เป็นสระซึ่งซึ่งวางระบบนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษก็ษกแบบนี้เขาเรียกโรมันเป็นทุกประเทศเขาจะรู้กันอาสาฮเสนธรรมเมณะสเสมณะนยติปะเรธรมมะสักุโตเมทาวีธรมมัทโธติปะุจจติเป็นพุทธพจน์สําหรับผู้ที่ทํางานด้านกฎหมายเอาแปลให้ฟัง ผู้มีปัญญาที่ตัดสินผู้อื่นโดยรอบคอบโดยเที่ยงธรรมสม่ำเสมอรักษาความเป็นธรรมผู้นี้ได้สมยาว่าผู้เที่ยงธรรม มีปัญญาเมื่อกี้ได้พูดมาแล้วน ะ, ะชีวิตที่มีที่มีเป็นปัญญาเป็นชีวิตที่มีประเสริฐสุดคือไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุผลให้มีปัญญาคือสแสวงหาความจริงให้ความจริงมันเปิดเผยตัวเองออกมารู้เห็นตามความเป็นจริงเขาเรียกผู้มีปัญญานะครับอธิบายพุทธพจน์นะตัดสินผู้อื่นโดยรอบคอบคําว่าโดยรอบคอบคือ มองรอบด้านไม่ได้มองด้านเดียวเพราะรักเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวโดยรอบคอบก็คือคนมันมีทั้งดีและชั่วมีฝ่ายเสนอฝ่ายค้านฝังมันทั้งสุขฝ่ายเขาเรียกว่าเอาอักขติออกไปตัดสินด้วยปัญญาคือรู้เห็นต่ความเป็นจริงโดยรอบคอบคือมองรอบด้านไม่อักขติ ไม่มองด้านเดียวนี่แถวที่หนึ่งนะโดยเที่ยงธรรมสม่ำเสมอคาว่าเที่ยงธรรมคือยึดบรรทัศฐานตัวบทกฎหมายไม่ใช่เอาตัวเองเป็นใหญ่ไม่ใช่อัตตาที่ปไตเอาความรู้สึกของเราเป็นใหญ่แต่เป็นธรรมาที่ปไตเอาเอาหลัก ความถูกต้องความดีงามเป็นที่ตั้งกฎหมายว่าอย่างไรว่าเปตามกฎหมายสมัครเสมอคือต่อเนื่องยั่งยืนไม่ใช่ทำดีบ้างไม่ดีบ้างรักษาความเป็นธรรมอันนี้ก็ชัดอยู่แล้วก็คือพัลุกความเป็นธรรมในสังคมผู้นี้ในนีได้ชื่อว่าธรรมมัทะแปลว่าผู้เที่ยงธรรม คำว่าสม่ำเสมอแถวที่สองขยายความอีกนิดหนึ่งคำว่าตวันต่อเรื่องคืออย่างไรในในโลกตะวันตกเขามีคำว่า man of all seasons นั่นแหละคือสม่ำเสมอ man of all seasons คือต้นไม้เนี่ยนะมันเปลี่ยนไปตามฤดูนะมันเปลี่ยนสีนะคนอยู่ต่างประเทศ เราถ้าเราไปหน้าหนาวนะมันมีแต่สีขาวนะหิมะไปใหม่ๆก็ไม่เข้าใจก็ไปบน่นว่าประเทศคุณไม่น่าอยู่เลยนะทําไมมันมีแต่หิมะไม่จะโล่งใจเลยขาวไปหมดต้นไม้ก็ดำใช่ไหมมีแต่ต้นกระ ก, กิ่งนึกว่ามันตายไปใหม่ๆนะแต่คนที่อยู่นั่นเขาบอกไงเลยคุณมองด้านเดียวมาดูแต่แล้ดูหนาวคนไทย ไปเกาหลีน่ะจะไปฤดูหนาวไปเล่นสกีะ แ, แล้วก็บองไม่เห็นมีอะไรไปอเมริกาไปเช็กาโก้ก็จะไปมองอย่างนั้นแต่ถ้าอยู่ทั้งปีประเทศนี้มีสเสน่ห์พออยู่มาถึงท่านเดซ e อ b e r ทันวามาถึงกุมภาเนี่ยมันก็ขาวพอเริ่มมีนามเมษาตอนนี้ใบไม้มันเขียวแล้วนะวันเดียวแค่นั้นน่มัน มันออกมาเขียวๆนี่เดีมิมรุ่งขึ้นสองสาวันเนี่เต็มต้นเลยมันเป็นสีเขียวนะฤดูใบไม้ผลิเนะียถ้าญี่ปุ่นเนี่มันจะเป็นไอสากุระมันจะบานสากุระบานเพราะฉะนั้นดอกไม้ตอนนี้ในจีนในญี่ปุ่นนี่มันจะบานสะพรั่งหมดโอ้สวยนะเขาว่ากันพอไปถึงฤ ด, ดูร้อน ต้นไม้มันก็ปกติอย่างที่เราเห็นมนหนึ่งไทยพอเราลองไปฤดูใบไม้ร่วงรอนร้อนโอตั่มสิสีเขียวสีแดงสีเหลี้งป่าทั้งภูเขาเนี่เปลี่ยนสีหมดเลยเพราะใบไม้มันเปลี่ยนสีไปตามฤดูกาลแต่มันจะมีต้นไม้อยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่ยอมเปลี่ยนสีเขาบอกว่าคนที่เปลี่ยนสีไปตามสถานการณ์ฤ ด, ดูกาลเนี่ยมันคือต้นไม้ทั้งหลายนั่นแหละแต่คนที่เที่ยงธรนี่ เขาจะไม่เปลี่ยนสีเพราะผลประโยชน์เพราะชอบเพราะชังเพราะหลงเพราะกลัวจริงอย่างไรก็ว่าไปอย่างนั้นไม่เปลี่ยนสีมันจะมีต้นไม้อยู่ต้นในฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูอะไรต่ก็จะอยู่อย่างนั้นและและเขาก็เอาต้นนี้มาทาต้นคริสต์มาสเพราะใบมันยังอยู่คือต้นสนต้นสนจึงเป็นต้นไม้ของทุกฤดูกาลไม่เปลี่ยนสีคนที่ไม่เปลี่ยนสีเพราะ ความบีบคั้นเพราะผลประโยชน์เพราะความกลัวเป็นผู้เที่ยงธรรมเนี่ยเขาเรียก m ม n of a l l นซีซั่ m แ n o อ women of all s e a s o n นนั่นแหละคือสม่ำเสมอรักษาความเป็นธรรมของสังคมให้สังคมมีความเที่ยงธรรมระบบทำไมเรียกว่ารักษาความเป็นธรรมอันนี้คือระบบ ถ้าเราไม่รักษาความเป็นธรรมเกิด อ, อะไรขึ้นพ่อค้าเนี่ยนะเขาสมมุตินะพ่อค้าเขาบอกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาปลาใหญ่กินปลาเล็กฉันจะโกงทุกครั้งที่มีโอกาสถ้าพ่อค้าทุกคนถือกติอย่างนี้ระบบการค้าล่มสลายเพราะจะไม่มีใครเชื่อ และจะไม่มีใครมาซื้อของเดี๋ยวนี้เจเนเรชันพวกเราเนี่ยจะซื้อของทางทางไงออีเมลทางไอทางออนไลน์อะ่ะแต่เราไปถามคุณรุ่นคุณพ่อคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาไม่ซื้อเขาบอกไม่ไว้ใจเพราะไม่รู้ว่าไอที่โฆษณากับที่ส่งมาเนี่ยมันจะ เหมือนกันหรือไม่ไม่ไว้วางใจในต่างประเทศเขาซื้อกันทางนี้หมดแล้วทางออนไลน์ฉะนั้นห้างที่รวยที่สุดไม่ใช่ห้างสรรพสินค้านะเซนฐีเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกตอนนี้ชนะบิวเกตไปแล้วคือเจ้าของอเมซอนซื้อทางออนไลน์หมด แต่ประเทศไทยยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นเพราะยังยังมหาวิเลยในจีนตอนนี้นี่นะเล่าให้ฟังหน่อยเพราะซีพีเขาไปเปิดมหาวิยาลัยแห่งแรกในจีนเป็นต่างประเทศเป็นต่างชาติที่เดียวที่ไปเปิดมหาวิเลัยในจีนได้สองคณจีนรัฐบาลเขาไม่ค่อยเชือ่อไม่วางใจข้างนอกเขาก็เลยอยากจะโชว์ก็ให้ไปดูให้หน่อยในฐานะอธิการบดีมหาวิยาลัยเขาให้ไปดู สิ่งที่เห็นอันหนึ่งเนี่ยในหอพักนะักศึกษานเนี่ยเขาจะมีโลจิสติกของพวกซื้อสินค้าทางออนไลน์นะักศึกษาสามารถในมหาวิลเลยสามารถสั่งสินค้าออนไลน์ได้แล้วมันจะมีฝ่ายส่งเป็นบริษัทเลยที่รับส่งให้เหมือน Energy, กับอาเมซอนแต่ในจีเขาตั้งของเขาเองชื่อบริษัทแล้วก็จะเอาสินค้าที่สั่งซื้อมาวางไว้ ตามห้องที่มหาวิทยาลัยเขาจัดนักศึกษาเพียงแต่เอาโทรศัพท์มาแล้วก็มามา อ, าอะไรมาแถบให้มันตรงกันเท่านั้นแหละก็ไปที่เจ้าหน้าที่ก็ยกออกไปห้องใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของห้องนี้โดยไม่ต้องมาสร้างห้างสรรพสินค้าในมหาวิทยาลัยยังเป็นร้านอาหารจีนได้ทำตรงนี้เพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีเขาถูก ทั้งโทรศัพท์ก็ถูกอะไรก็ถูกเพราะขายทีหนึ่งเป็นพันๆล้านเครื่องเนลยเมื่อตอนแรกๆก็ของถูกนี่มันไม่ดีแต่ตอนหลังๆเนี่ยเมื่อขายแล้วมันได้สตางค์เขาพัฒนาโทรศัพท์พัฒนาทุกระบบทั้งหมดมันจึงกลายเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาอยู่กับชีวิตที่ไม่ไม่ต่างกันของเรานี่มันต่างกันเพราะว่าเทคโนโลยีมันแพงเราผลิตไม่ได้ไม่ใช่ทุกคนเข้าถึงของจีนนี่คนธรรมดาก็เข้าถึงหมดเพราะฉะนั้นการไม่ต้องใช้เงินนี่เป็นเขาเรีย ไม่ต้องถือเงินเนี่ยมันจะเป็นสังคมของจีนซึ่งคนเป็นพันพันล้านเนี่ยเขาทำได้เพราะเทคโนโลยีมันถูกของเราเอาเทคโนโลยีต่งตางประเทศมามันก็ได้จากเพาะคนกรุมหนึ่งว่ามันแพงและระบบเป็นคนละระบบมันก็เลยทำยากของเขาระบบเดียวหมด a ฟ e b o o k ก็ไม่มี l ลน e ก็ไม่มีเขามีเวอร์ชันของจีนอย่างเดียวคนพันสามร้อยล้านเนี่ยใช้ระบบเดียวหมดทีนี้ใน การที่ระบบอย่างของอ m a ซ o n ที่ซื้อสินค้าออนไลน์มันอยู่ได้เพราะอะไรเพราะความซื่อสั่มันนี่แบ็คการันตีไม่พอใจคืนเงินตรงนี้มันทำให้อยู่ได้สมมติถ้าเรามื่อใครยาวเอาสาวได้สาวเอานะมันทำลายระบบนี้หมดเลยระบบความเป็นธรรมมันรักษาการค้าออนไลน์ชั้ใด สังคมโดยรวมการค้าทั่วไปถ้าคิดจะโกงกันเนี่ยในระบบทั่วไปเนี่ยมันทำให้การค้าอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะึงเจ้งมีความไว้วางใจกันความไว้วางใจนี่คือระบบแห่งความเป็นธรรมระบบแห่งความเป็นธรรมหมายความว่าถ้าเราคิดจะโกงเขาเราต้องเผื่อว่าให้เขาโกงเราได้ เมื่อเรากงเขาได้เขาก็กงเราได้มันจะเหลือความไว้วางใจอะไรอยู่ในสังคมความเป็นธรรมมันไม่เกิดเพราะฉะนั้นระบบกฎหมายมันคือระบบสร้างความไว้วางใจเมื่อฉันทำไม่ได้คนอื่นก็ทำไม่ได้ทาไม่ได้ไม่ได้คนมันจึงเสมอกันในตามกฎหมายความเป็นธรรมมันจะอยู่ในบ้านเมืองได้มันไม่ใช่ให้ผู้มีอำนาจมาบิดกฎหมายถ้าอย่างนั้นสังคมล่มสลาย เราผู้รักษาความเป็นทรรมผู้ที่ยังทำเนี่ยมันจึงต้องตรงนี้ด้วยทีนี้มาถึงคําว่าปัญญาสัญญากับปัญญาสักหน่อยที่พ่อพิมับอยู่ในธรรมะสนกฎหมายที่ว่าผู้มีปัญญาปัญญาไม่ใช่สัญญาสัญญาในที่นี้หมายถึงในขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนไม่ใช่ไอไอคำมั่นสัญญาหรือคอนแทคหรือพรอมิสอันนี้หมายถึง ตาเห็นรูปเราเห็นภาพเนี่ยมันเป็นแค่การรับรู้ไม่ใช่ปัญญาหูฟังเสียงเนี่เยเสียงที่เข้าหูเนี่ยนะมันไม่ใช่มันเป็นแค่ perception มันแค่สัญญาไม่ใช่ปัญญาเพราะอะไรเพราะเรารับข้อมูลเป็นส่วนๆตาเห็นรูปมันต้องไปเทียบกับเสียง สัมผัสอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นการจะเชื่อสิ่งที่เราเห็นทันทีมันไม่ได้มันอาจจะเป็นภาพรวมตาเชื่อเสียงอย่างเดียวเสียงภไพเราะพูดความจริงมันก็ไม่ใช่เต่าบอกว่าพูดจริงไม่เพราะพูดเพราะไม่จริงเห็นไหมเพราะฉะนั้นไปพึ่งสัญญาด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ความจริงโดนหลอกได้เราจึงเทียบกับตาหูจมูกลิ้น โบราณเขบอกไปยสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นทั้งหูไม่เท่าไปเห็นด้วยตาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำคือสัมผัสว่าของจริงไหมเดี๋ยวนี้มันมีเวอร์ชวลใช่ไหมเรียลิตี้เนี่ยความจริงที่สร้างขึ้นมาเป็นภาพสามมิติสี่มิติเขาบอกว่าโอ้มีคนเดินอยู่ไม่เท่าตาเห็นไปเห็นแล้วมันก็จริงเน่ยแต่ลองจับดูอ่ะมันกลายเป็นฮอโลแกรมขึ้นมาก็ได้เป็นภาพที่สร้างขึ้นมา สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าหนึ่งมือคลับคือสัมผัสซึ่งส0บมือคลับไม่เท่ากับทาไว้ในใจก็คือเก็บข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเป็นระบบในความคิดของเราแล้วพิสูจน์ยืนยันว่ามันจริงสัญญาเป็นแต่เพียงรู้เท่าที่เห็นเข้าใจเท่าที่ฝักเป็นด้านใดด้านหนึ่งแต่ปัญญาเนี่ยนี่คือทาไว้ในใจคือรู้รอบกับรู้ลึก คำว่าปัญญาในรัชฉบัพระเจนานุกรมราชวิธ า, านท่านแปลว่ารู้รอบกับรู้ลึกไม่ใช่ความรู้นะรูร้ตัว knowledge ก็ไม่ใช่ปัญญาความรู้นี่นะที่นั่งฟังอยู่นี่เป็นความรู้นะยังไม่ใช่ปัญญาภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า knowledge ส่วนปัญญาเขาใช้คำว่า wisdom คนละคำนะที่พูดมาเนี่ย อาจจะเข้าใจคนละอย่างก็ไเเดี๋ยวต้องอต้องให้ความหมายก่อนเรามักจะจบอยู่ที่ความรู้ knowledge ไม่ถึงปัญญาเมื่อกี้ที่พูดในพุทธพจน์เนี่ยที่อ้างมาเนี่ยมันในหมายถึงปัญญานะปัญญาคืออะไรอธิบายตรงนี้ก่อนหนึ่งในภาษาอังกฤษก็ใช้ไม่ตรงกัน knowledge กับ wisdom knowledge คือความรู้ wisdom คือปัญญาภาษาบาลีก็ไม่ตรงกัน knowledge คือสุตะแปลว่าความรู้ส่วน wisdom แปลว่าปัญญาแปลว่าความรู้รอบรู้รึกหรือความรอบรู้อ่ะอธิบายคำว่า knowledge ก่อนนะความรู้ที่เราเรียนจบด้ากฎหมายมาเนี่ยมันได้ปริญญามานี่มันเป็น knowledge เป็นความรู้ทำไมเรียกว่าความรู้ เพราะมันอิงกับข้อมูลข่าวสารกฎหมายแต่ละมาตราที่เราท่องมันเป็นข้อมูลข่าวสารเรารู้ด้วยสัญญาคือจามันมี perception มี memory มีความจาความจำกฎหมายต่างๆที่ว่าเนี่ยมันเป็นฐานของ knowledge คือความรู้เราเอาไปใช้ได้เหมือนเราเรียนภาษาอังกฤษเนี่ย เรามีความรู้เราไปใช้ได้มันก็เป็น knowledge เป็นความรู้ในภาษาบาลีคนที่ท่องกฎหมายได้ทุกมากตรามีความรู้อะไรต่างเราเรียกว่าพ่อหูสูตรแปลว่าคนที่มีความรู้มากผู้คกเกเรียเราไม่เรียกพ่อหูสูตรว่าปัญญาแยกกันนะเราเรียกคนที่มีปัญญาว่าอะไรคือ wisdom คนที่เห็น Wisdom นี่คืออะไรหนึ่งรู้รอบเห็นความเชื่อมโยงคำว่ารอบนี่หมายถึงว่าไม่ใช่รู้เป็นจุดๆมันเห็นความเชื่อมโยงมันเทียบเทียงมันมองเป็นระบบเหมือนเราเห็นจิ๊กซอ่นี่นะเห็นไอ้จิ๊กซอ่แผ่นเดียวเนี่ยเราเรียกว่า knowledge หรือสัญญาแต่ถ้าเอาจิ๊กซอ์มารวมกันเป็นหน้าคนเนี่ยเราเรียกว่าปัญญาปัญญามันจึงรู้รอบไง มันไม่ใช่รู้เป็นจุดๆอย่างนั่งฟังพระบรรยายวันนี้เราก็แค่รู้ว่าท่านพูดอย่างนี้หมายถึงนี่มันเป็น knowledge แต่ถ้าเอาไปเทียบกับศาสตร์อื่นๆรวมถึงประสบการณ์ในชีวิต apply ได้ประยุกต์ได้สิ่งที่พูดประโยคเดียวมันขยายเป็นภาพรวมในชีวิตเราเราเรียกปัญญาเพราะฉะนั้นประโยคเดียวเนี่ยคำพูดประโยคเดียวนี่เช่นประโยคว่า คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองแต่คนฉลาดกว่าเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยบางคนจำได้แค่นี้เป็นโนเลชแต่สติปัญญามันไม่เท่ากันเน่บางคนแตกทะลุ ป, ปล่กปร่งมองเห็นอดีตปัจจุบันปัจจุบันเชื่อมโยงกับชีวิตตัวเองด้วยอันนี้คือรู้รอบคือปัญญารู้ปัญญายังไม่ใช่รู้รอบอย่างเดียวนะรู้ลึกอีกเราคบเพื่อน เรียนจบมาจากไหนอ่านประวัติเขาก่อนหน้าตาเป็นอย่างนี้เชื่อได้ไหมอะไรไปคบได้ไหมไว้แรงใจได้ไหมแค่นี้ไม่พอเราไปทำงานต่างจังหวัดเนี่ยมีรูปน้องกี่คนดูประวัติดูุูมหลังเขาอันนี้เป็น knowledge เป็น information เกี่ยวกับภูมิหลังเกี่ยวกับการเรียนการอะไรต่างแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขามีนิสัยอย่างไรจิตใจดีไหม คบได้ไหมไว้วางใจได้ไหมมันจึงมีภา ษ, ษิตว่ารู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าดูหน้าเชื่อถือรู้ผิวเผินดูข้อมูลผิวเผินมีความรู้มีอินโฟมชันแต่คนนี้คบได้ไว้ใจได้หรือไม่ไม่รู้คนที่รู้ไปถึงจิตใจคน บางคนนี่เขาเขาอ่านคนออกได้เร็วคนที่รู้ไปถึงใจคนเนี่ยเขาเรียกรู้ลึกรู้ลึกคือปัญญาเพียงข้อมูลผิวเผินเป็น knowledge เป็นความรู้ไม่ใช่ความรอบรู้รอบรู้คือปัญญาคือรู้ลึกในทางพระศาสนาเขาเรียกว่าถ้าใครเรียนธรรมะนะ รู้รอบคือรู้ปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทแปลว่าเห็นสิ่งต่างๆเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยทำมันอยุตารู้จักเหตุอันถันยูตารู้จกกากผลแปลกฏการที่เกิดขึ้นมันจะต้องมีสาเหตุสาเหตุมาจากอะไรรู้ไปถึงสาเหตุเขาเรียกว่าปัญญาแค่แเราอ่านคขาว่า เออเกิดอุบัติเหตุอุบัติภยัยมีคนไปช่วยกันที่นั่นทีนี่เลยเนี่ยมันเป็นอินฟอร์มเอชั่นเป็นข้อมูลข่าวสารเป็นความรู้แต่ถ้าเรารู้รลึกว่าอุบัติเหตุอุบัติภยัยเช่นสึนามิเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรและมันมักจะเกิดในตอนไหนเมื่อเกิดสึนามิขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยเนี่ยคนไทยไม่รู้เรื่องเพราะมันไม่เคยเกิดคนตายไปสี่พันคน ในช่วงเดียวกันคนตายถึงสองแสงคนในอินโดนีเซียในศรีลังกาเพราะไม่มีปัญญาในเรื่องสึนามิแต่พอเดี๋ยวนี้หนะอยพอเร า, เร า, เ, ร า, เ, ราเรามีปัญญาขึ้นมาหมายความว่าอย่างไงมีความรู้มีอิน์เมชันว่ามีแผ่นดินไหวแปดริกเตอร์เก้าริกเตอร์มันจะเชื่อมโยงไปถึงสึนามิหละ ถ้าเกิดขึ้นอีนนเซียอีกเก้าริกเตอร์เนี่ยคนอยู่ชายทะเลต้องขึ้นยอดเขาแล้วมันรู้รอบคือมันเชื่อมโยงว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันทำให้ท่านแรงขนาดนี้เนี่ยภูเขาไฟะระเบิดเลิกต่มันทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิเห็นหนึ่งเห็นเหตุคาดว่าผลอะไรจะตามมาในนะ่ๆคนพยากรณ์ได้ระหวังได้ก็เรียกปัญญา เห็นผลรู้ว่ามาจากเหตุไหนเกิดฆาตกรรมขึ้นมาดูปั๊บเดียวนี่น่าจะมาจากไหนแรงจูงใจคืออะไรคนที่มีปัญญามันจึงไม่ใช่เพียงแต่ข้อมูลที่มาอยู่แล้วก็จะรู้พวกที่มีประสบการณ์สูงเ่วโมูบินสูงเนี่ยเห็นปุ๊บมันจะโยไปหาสาเหตุแรงจูงใจอะไรต่างๆที่ถูกต้องได้บางทีเนี่ยยังไม่ทันได้ข้อมูลเพิ่มเลยนี่เขาเรียกปัญญา แล้วเห็นเหตุปัจจุบันพยากรณ์ได้ว่าผลอะไรจะตามมาอย่างเช่นเห็นแผ่นดินไหวแปดริกเตอร์เก้าริกเตอร์นี่มีสนาบีิมันจะเกิดอะไรรู้เท่าถึงการรู้เท่าเอาไว้ป้องกันนี่ไม่ได้คาดการล่วงหน้าว่าแบตเตอรี่มันจะหมดนะเนี่ยไยคุมไม่ได้เสียบแบตเตอรี่ให้ เออรู้เท่าเอาไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้ไขถ้ารู้ว่าไม่มีสายแบตเตอรี่แล้วมีแบตเตอรี่อยู่แค่นี้นี่เครื่องของที่นี่นะเขาจะมาเอามานี่เชื่อมไม่ได้มันมันมันมันทันสมัยเกิดเขาไม่ให้เขาให้ใช้ที่นี่อ <c oughs> <c oughs> มาแล้วแบตหมดอะไรี่เสียบซะ <c oughs> ถ้ามีปัญหานะเราจะคาดการณ์ลูกได้ว่าแบตมันจะต้องหมดนะ <c oughs> เออ บางตื่นว่า<อ>ไปทําปัญญาเรื่องอื่นเนาะน็อกเลยเนี่ยเออมาแล้ว <c oughs> รู้เท่าเอาไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้ไขอา้าเปิดด้วยครับเปิดให้มันขึ้นมาเอาพูดต่อปัญญาจึงเกิดจากการรู้รอบเชื่อมโยงเป็นระบบและก็รู้ลึกรู้ลึกคือยังไงคนที่มีปัญญาเนี่ย อย่างที่ว่ารู้หน้าไม่รู้ใจเอาอย่างนี้กันแล้วกันเวลาผลไม้มันตกลงมาเราก็หยิบเอาไปกินเอาไปขายแต่ทำไมไอแซคนิวตันแอปเปิลตกลงมาจากแอปเปิลลูกเดียวเนี่ยมันโยงไปเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดอันนั้นคือปัญญาในทางวิทยาศาสตร์ จากปรากฏการคือแอปเปิลตกกันเดียวนี่คนที่มีปัญญาเขาโยงไปถึงแรงโน้มถ่วงนี่คือปัญญาในทางวิทยาศาสตร์เราเห็นไมโครโฟนอันนี้เมื่อกี้ี่ผมพูดรู้ ร, ร, รอบเนะเชื่อมโยงนะรู้ลึกนี่ก็คือไมโครโฟนมาจากเหล็กมาจากพลาสติกแต่ปัญญาในทางวิทยาศาสตร์บอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันเข้ากับสมการของไอน์สไตน์ สมการของไอน์สไตน์ก็คือ E เท่ากับ mc ยกกำลังสองมันก็คือ m มเ t อร์สสารเท่ากับพลังงานจะอีกนานไหมสสารเท่ากับพลังงานเพราะฉะนั้นไมโครโฟนเนี่ยรู้ลึกไปถึงแกนมันคืออะไรสมัยก่อนเขาเรียกอะตอมภาษากรีกก็คือปรมาณูใช่ไหมอะตอมอะตอมแปลว่าสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้ แต่พอมีปัญญาในทางวิทยาศาสตร์มากมากเข้าอะต้องแบ่งแยกได้เมื่อร้อยปีมาแล้วเนี่ยแบ่งออกเป็นนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนอิเล็กต์นิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนวิ่งนิวเคลียสมันคือพลังงานเพราะฉะนั้นอะตอมไม่ต้องก็ได้มั้งเดี๋ยวสรุปเลยมันจะทำให้เสียสมาธิคนฟังและคนพูดผเปลนครับไปทที่อื่น คืออย่างนี้เวลาที่พูดถึงปัญญาสรุปให้ฟังประเดเรื่องเรื่องปัญญานะนี่พูดถึงรูเล็กเนี่ยคำว่าอนตอมเป็นภาษากรีกดิมัคเทรตุสเขาเป็นคนเสนอคานี้แปลว่าสิ่งที่แบ่งแยกไม่ได้เขาพูดในเชิงว่าถ้าเราแบ่งทุกสิ่งทุกอย่างในในจั ก, กรวาลมันจะไปถึงจุดที่เล็กที่สุดที่แบ่งแยกไม่ได้นั่นคือ สิ่งที่สร้างจักรวาล น, นี้ส่วนเล็กย่อยที่สุดที่เอามารวงกันเป็นโลกใบนี้เนี่ยคืออะตอมทั่วโลกก็เชื่อว่ามีอะตอม 2,000 ปี 2,000 ปีที่ผ่านมานะจนกระทั่งลอดเลสเตอร์ฟอร์ดเนี่ยยิงอะตอมเนี่ยแตกออกไปพบว่ามันมีส่วนประกอบและในส่วนนี้ที่ปัจจุบันนีไม่ต้องพูดละกลายเป็นว่ามันมีองค์ประกอบเป็นนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอน เล็กไปกว่านั้นเขาเรียกควอนตัมทฤษฎีควอนตัมก็คือศึกษาโครงสร้างของอะตอมจนกระทั่งเป็นพลังงานไปหมดเลยนั่นคือทฤษฎีควอนตัมฟิสิกหมายความว่าพอรู้ลึกไปจริงๆเนี่ยนะสสารกับพลังงานเนี่ยมันอันเดียวกันมันเป็นตัวควอนตัมหมดเลยอะตอมคืออะไรรู้ไหม อะตอมคือสิ่งที่เรียกว่าอัตตาตัวตดเล็กที่สุดในทางวัตถุเราแบ่งแยกไม่ได้เราเรียกว่าอะตอมในจิตวิญญาณของมนุษย์ร่างกายมนุษย์ที่แบ่งแยกไม่ได้คือวิญญาณอมะตะเขาเรียกอัตตาแต่พระพุทธศาสนาสอนมา 2,500 ปีว่าในโลกของวัตถุไม่มีอะตอม ในโลกของจิตวิญญาณไม่มีอัตาจึงสรุปว่าสัพเพธรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงธรรมะนี้แปลว่าสิ่งทั้งหลายสรรพสิ่งเป็นอนัตตาในเชิงวัตถุคือไม่ใช่อตอมในเชิงของจิตวิญญาณไม่มีวิญญาณอามาตะมันเป็นแต่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันและกันเกิดขึ้น เราเรียกว่าตามกฎปฏิจจสมุปบาทไม่มีอะไรอยู่ได้ในลำพังตัวมันเองเมื่อเราแบ่งอะตอมออกไปแล้วเนี่ยอะตอมมันจะอยู่ได้มันต้องวิ่งวนกันนิวตรอนเล็กตอ น, น, ตอ น, ตอนปโปรตอนมันจึงแต่จริงๆแล้วโดยลึกแล้วมันไม่มีแก่นมันเป็นอนัตตาถามว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ปัจจุบันค้นพบเนี่ย มันไปนตรงกับที่พระเจ้าค้นพบอนัตตา 2,500 ปีมาแล้วพุธศาสนาก็สอนไปอย่างเนี้ยสัพเพ ธ, ธมานัตตาเนี่ยพระพุทธเจ้าพบด้วยอะไรในเมื่อไม่มีเครื่องมือนั่นคือภูธิญา น, นั่นคือปัญญาแต่วิทยาศาสตร์ต้องใช้เครื่องมือมายืนยันแล้วหากล้างเรื่องอัตาเรื่องอะตอม ในในอินเดียเรียกว่าอั ต, ตาในกรีกเรียกว่าอะตอมหากล้างหมดแล้วเดีย๋ยวดีเพราะฉะนั้นยิ่งวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นเท่าไหร่เนี่ยพุทธศาสนายิ่งได้รับการพิสูจน์ยืนยันมากเท่านั้นจึงไม่แปลกที่ในโลกตะวันตกไม่หันมาทางพุทธศาสนามากขึ้นคนที่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยสตีเฟนฮอว์ินส์ที่เขายกย่องว่าเชี่ยวชาญในเรื่องวิทยาศาสตร์ น้องๆไอนสไตล์นะัคนนักฤษยนย่อมๆมากเนี่ยได้ไปอ่านงานของเขา A Brief, Brief h i s t o r y of time หนังสือที่ขายดีมากเลยเนี่ยทั้งท่านที่เขาพิการเนี่ยพูดไม่ได้เขียนไม่ได้แต่ว่าใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยออกมาเป็นตัวหนังสือเนี่ย r i e f h i s t o r y of time เราไปอ่านดูมันแสดงถึงรู้ลึกปัญญาของอนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งบังเอิญมันมายืนยันในทางปัญญาในทางปุัชนาฮอวกิน์บอกว่ายัางไงซึ่งจากหนังสือเล่มนี้หนึ่งและที่เขาเอามาออกทเป็นรายการ Discovery หรืออะไรไม่ทราบไปทั่วโลกเลยเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในจกักรวาลไม่ว่าจะโลกนี้มาจากไหนอย่าง Big Bang Theory เนี่ยนะ จักรวาลเกิดขึ้นเพราะการระเบิดครั้งใหญ่ฮอวกินบอก ว, อว่าไม่มีผู้สร้างไม่มีพระเจ้าเอ้าเมื่อไม่มีผู้สร้างไม่มีพระเจ้าแล้วมันจะเกิดไอสิ่งที่เหมือนกบเปลองฟองไข่เป็นเหตุให้แตกออกมาเป็นจักรวาล น, นี้ได้อย่างไรเป็นกาแล็กซี่หรนะืเนี่ยฮอกินเขาไปถึงขั้นว่า สิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่มันไม่มีสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีมันมีและจากความที่เราว่ามันไม่มีเนี่แหละมันจึงเกิดจั ก, กรวาลถามว่าอะไรคือสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วบอกว่าไม่มีเนี่ยเขาบอกว่าเวลาจั ก, กรวาลมันมันหดตัวนะเวลาดาวดาวดาวฤกษ์จะดับ มันเกิดแบล็กโฮลมันมีหลุมดำหลุมดำเนี่ยมันรวมเอาสิ่งต่างๆในจักรวาลเข้าไปอยู่นั้นและมืดสนิทจนเรามองไม่เห็นและสิ่งที่อยู่สิ่งที่อยู่ในหลุมดำที่ว่าเราว่าไม่มีเนะี่ยมันมีและจากไม่มีนี่แหละ มันไม่มีการเวลาในหลุมดำมันไม่มีการเวลาไม่มี Space ไม่มีไทไม่มีอะไรสิ้นเพราะฉะนั้นสเ a ซแ time ที่ทฤษฎีสัมพัทธ์ของไอน์สไตน์นี่มันมาหลังจากที่เกิดระเบิดครั้งใหญ่สิ่งที่ฮอวกินศึกษาคือเรื่องหลุมดำและมันจะรู้ได้ไงมันไม่มีทางรู้เพราะมันเป็นหลุมดําเหมือนในทางจิตวิทยาเนี่ย ในที่สุดแล้วมันต้องไปเป็นอันคอนชิเอของฟรอยะจิตรู้จิตที่ไม่รู้ไร้สำนึกเมื่อไร้สำนึกแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีฟรอยก็บอกมีก็แล้วกันเพราะเอามาใช้ประโยชน์ได้ในการรักษาจิตจิต บ, บาบหลุมดำมันมีด้วยการส่องกล้องที่เห็นเวลาดาวมันหดตัวมันกลายเป็นหลุมดำและหลุมดำนี่แหละมันเก็บอะไรไว้มากมายแลวมันก็กลับมาเป็นจักรวาลในทฤษฎีของข อ, งองกินส์นะ ฉะนั้นฮอกินจึงบอกว่าเมื่อโลกมันเป็นวนอยู่อย่างนี้และจั ก, กรวาลมีนับไม่ถ้วนเพราะหลุมดำอะไรต่างมันมีทั่วไปเนี่ยมันจึงมีจั ก, กรวาลที่อื่นเยอะแยะเนี่ยจึงไม่มีผู้สร้างไม่มีพระเจ้าสิ่งเหล่านี้พูทธเจ้าพูดไว้ เ, เรียกสังวัตรกรับวิวัตรกรรบเนี่ยนานมาแล้ว 2,100 ปีซึ่งจะตรงกันข้ามกับคาสอนเรื่องผู้สร้างเรื่องอะไรต่าง แต่กลายเป็นว่าเมื่อวิทยาศาสตร์จเจริญขึ้นจเจริญขึ้นเนี่ยมันมาคอนเฟิร์มมายืนยันที่อยู่ในพุทธศาสนาคำถามในพระเจ้ารู้ได้อย่างไรนี่คือปัญญาสรุปพัฒนาจิตมีสมาธิมียานอยากเห็นมันเป็นรู้รอบรู้ลึกนะอธิบายคาว่าปัญญาในคงจะสรุปด้วย ในฐานะักที่เรามาอยู่ในวงการที่ต้องยืนหยัดในเอาเอา เ, อาเรื่องคำว่าธรรมะักนิดหนึ่งแล้วเมื่อพูดเรื่องธรรมะมาทั้งหมดเนี่ยนะมันจะสรุปอยู่ในคำว่าจาริยธรรมคุณธรรมทั้งหมดเนี่ยธรรมะสํานัากฎหมายเนี่นะเพราะเราเรามักจะแยกไม่ออก ความจริงในตัวมันเองกฎจักรวาลทั้งหมดเนี่ยในในทางพุทธศาสนาเราเรียกว่าปรมตทธรรมนะประมัตทธรรมคือความเป็นจริงในตัวมันเองเรื่องอะตอมนิวตรอนอิเล็กตรอนโปรตอนเรื่องอะไรก็ตามแม้กระทั่งชีวิตเราเนี่ยเขาเรียกว่าปรมตทธรรมคือธรรมะที่เป็นความจริงในตัวมันเองแล้วเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้เราต้องดําเบินชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นจริง และเราก็ตั้งสมมุติธรรมสมมุติสัจญาขึ้นมาอย่างเช่นกฎหมายกฎหมายเมื่อมันเป็นสมมติสัจญาเป็นธรรมะที่เรายอมรับกันบางช่วงรัฐสภ า, าอาจเปลี่ยนกฎหมายมันก็เป็นการสมมุติช่วงหนึ่งว่ามันใช่อีกช่วงหนึ่งไม่ใช่เพราะฉะนั้นสมมุติธรรมหรือสมมติสัจญาเนี่ยความจริงโดยสมมุติเนี่ยมันจึงเป็นบรรทัดฐานให้เราดําเนินตากรวมถึงกฎในสังคมประเพณีวัฒนธรรม การเดินตามความจริงในตัวมันเองกฎธรรมชาติรวมถึงสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสมมติสัญจาเราเรียกว่าจริยธรรมเป็นหลักความประพฤติเนกฎหมายเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาการปฏิบัติตามกฎหมายเราเรียกว่าจริยธรรมการปฏิบัติตามหลักธรรมชาติอันนี้จังทุกขังอนัตตาเราเรียกว่าจริยธรรม จริยธรรมคือหลักความประพฤติ ท, ที่ดีงามเพื่อประโยชน์สุขแห่งตนเองและสังคมเป็นสิ่งที่วัดได้ประเมินได้เขาบอกถ้าเราทําตามนี้เราก็เป็นคนดีถ้าเราฝืนกฎหมายเราทำไม่ดีหลักเขาก็ว่าเราเป็นคนไม่ดีอันนี้เป็นจริยธรรมเป็นประบวนความประพฤติ ท, ทั้งมาจากกฎหมายทางระบบศาสนาทางวัฒนธรรมประเพณี ที่ว่าท่านปรีดีบอกว่าไม่รู้จักสังคมไทยเนี่ยคือไม่รู้จักจริยธรรมในยุคนั้นช่วงนั้นไม่รู้ว่าสังคมไทยเขาเขาเดินตามกรอบไหนเราจะต้องศึกษาเป็นจริยธรรมของแต่ละประเทศเสมัยนี้เราเรียกว่า culture shock นพอไปประทะวัฒนธรรมที่แตกต่างเราช็อกเราปฏิบัติตามไม่ได้ใน ในเรื่องของวัฒนธรรมไทยเราต้องไม่ช็อกเนยเราต้องรู้ว่าทั้งหมดที่ปู่ย่าตายายท่านพูดเราพูดเนี่ยมันเป็นภาษาเดียวกันอย่างไรน่มันเป็นพฤติกรรมที่ควบคุมเป็นระบบที่ควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจาตามตาม n o ตามประทัศฐานของสังคมสิ่งที่ว่าดีในสังคมหนึ่งอาจจะไม่ดีในสังคมหนึ่ง แต่เราก็ต้องเคารพความแตกต่างในสังคมพระหุวัฒนธรรมดีสำหรับชาพุทธอาจจะไม่ใช่สำหรับชาวคริสอาจจะไม่ใช่ของอิสลามปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยพระบทกันใหญ่เลย ผ, เผู้จัดรายการศาสนาอิสลามนะทางทีวีไปโจมตีการกราบไหว้พุทธรูปว่าไม่ถูกไม่ควร อาจจะเป็นประเด็นความขัดแยง้งท า, างศาสนาก็ได้เป็นประเด็นทางกฎหมายถ้าคนไปลบหลู่พระพุทธรูปก็ได้แต่มันก็ออกทีวีไปเพราะออกทีวีไปเนี่ยก่อให้เกิดกระแสดีสำหรับเขาดีสำหรับเรามันจะเกิดความขัดแยง้งก็โชคดีที่ว่าเมื่อวานเนี่ยจุฬาลาชมนตรีท่านออกมาปราว่าทาอย่างนั้นไม่ถูกไม่เคารพความแตกต่าง ในทางวัฒนธรรมในทางกฎหมายการที่เราเข้าใจความแตกต่างยอมรับความแตกต่างเคารพความแตกต่างเขาเรียกขันติธรรมขันติธรรมทำให้เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขแม้เราจะไม่เห็นด้วยเราก็ต้องเคารพความแตกต่างการเข้าใจวิถีชีวิตของความแตกต่างเนี่ยคือเข้าใจจริยธรรมจริยธรรมของพุทธกับไปอย่างหนึ่งของพิธกับไปอย่างหนึ่ง จริยธรรมสากลไปอย่างหนึง่งจริยธรรมตามกฎหมายไปอย่างหนึง่งมันเป็นวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามเราต้องเคารพความแตกต่างนี่คือจริยธรรมถ้าเราไม่รู้อมอเราเป็นชาวพุทธไปอยู่ภาคใต้เนี่ยไปดูถูกเขาก็ไม่ได้และถ้าเราพูดอะไรผิดอะไรผิดเราก็อยู่ไม่ได้เห็นไหมการไม่เข้าใจจริยธรรมและไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมของแต่และกลุ่มช น, เ, นเป็นปัญหาชีวิตได้จริยธรรมทางการเมืองก็ไปอย่างหนึง่ง จริยธรรมของแต่ละกลุ่มเราเรียกว่าจรรยาบรรณกลุ่มอาชีพเนี่ยเขาต้องการให้อาชีพของเขามีศักดิ์มีศีมีเกียรติยศเขาจึงมีกติกาไม่ใช่จริยธรรมสากลนะอย่างเช่นศีลห้าเป็นจริยธรรมสากลสาหรับชาวพุทธทุกคนที่มารับราชการแต่คนที่มีอาชีพครู จะมีจรรยาบัญคือจริยธรรมของครูเซตหนึ่งกลุ่มหนึ่งคนที่มีอาชีพหมอแพทย์พยาบาลมีกลุ่มหนึ่งคนที่เป็นนักกฎหมายอย่างท่านทั้งหลายก็มีจริยามีจริยธรรมกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่า professional ethics เป็นจริยธรรมในกลุ่มวิชาชีพวิชาชีพใครวิชาชีพมันเพื่อศักดิ์ศรีเพื่อเกียรติเพื่อคุณค่าของวิชาชีพนะั้น ฉะนั้นเราอยู่ในจริยในกลุ่มไหนเราจะต้องตามทันจริยธรรมวิชาชีพนั้นเขาเรียกว่าจริยาบัลการปฏิบัติตามจรรยาบัญของนักกฎหมายก็จำเป็นการปฏิบัติตามจริยธรรมของสังคมก็จำเป็นแต่ทาไมคนเราไม่ปฏิบัติเพราะเราไม่มีสติเราไม่เรามีแต่อารมณ์กากับความโลภความโกรธความหลงมันบังตา การที่เราพัฒนาสติสสตปัญญาเราเรียกว่าพัฒนาคุณธรรมคุณธรรมคือคุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจเป็นรากฐานของจริยธรรมเมืม่อกี้ได้พูดรากฐานของจริยธรรมที่ครอบคลุมทั้งหมดคือสติไม่มีใครรู้ว่าคนนี้มีสติหรือไม่เพราะมันอยู่ในใจของแต่ละคน ถ้าไม่ใจลอยมองให้เห็นฟังให้ได้ยินเขาเรียกมีสติแล้วตัดสินถูกต้องมีปัญญาตามทันปัญญารู้รอบรู้ลึกที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นรากฐานของการดํานงชีวิตที่ถูกต้องคือมีจริรยธรรมเรารู้ว่ามันควรทำแต่เราไม่ทำเพราะเราไม่มีคุณธรรมคุณธรรมคือคุณสมบัติที่ดีภายในจิตใจ ที่พอเรามีแล้วเช่นสติปัญญาเรามีจริเราจะมีจริยธรรมโดยไม่ต้องฝืนใจสรุปแล้วระบบที่พูดมาทั้งหมดมันอยู่คำเหล่านี้หนึ่งพัฒนาคุณธรรมให้เรามีสติเรามีปัญญาคือความรู้ที่ถูกต้องไม่ใช่ความรู้ที่อยู่บนฐานของความรู้คือ knowledge ที่อยู่บนฐานของอากาติเมื่อเราไม่มีอากติเรามีปัญญาเราก็จะใจกว้างเราจะรู้รอบรู้ลึก และเรารู้อะไรควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดและเวลาที่อารมณ์มันครอบงำเราเราก็รู้ทันด้วยสติและสติจะเตือนเราว่าเราอยาาโกรธเกินไปอย่าโลภเกินไปอย่าหลงเกินไปควรทำาตามความถูกต้องปัญญามันจะทาหน้าที่ของมันสติมาปัญญาเกิดสติตะเลดิดมักเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นธรรมนะนกฎหมายก็คือเรารู้หลักจริยธรรม แห่งกฎหมายจรยาบรรกฎหมายทั้งหมดเป็นอย่างนี้ตัดสินไปตามบรรทัานที่ถูกต้องโดยไม่ผุนผันไม่ลำเอียงชื่อว่าเป็นผู้เที่ยงเท่าตามพุทธพจน์ที่อ้างมาเมื่อกี้นั่นแ่ะคือธรรมะของนักกฎหมายเมื่อพูดด้วยสติเวลาหมดก็จบแค่นี้ทดเวลาที่คอมพิวเตอร์เสียนิดหน่อย เพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอสรุปนะว่าเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตการดำรงวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงามทำให้เราปลอดภัยและมีความสุขความสาเร็จถ้าเราออกนอกกรอบแห่งจริยธรรมแห่งวิถีชีวิตที่ถูกต้องดีงาม มันก็อาจจะประสบสิ่งตรงกันข้ามฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าหนึ่งอะไรคือกรอบแห่งวิถีชีวิตที่ดีงามตามหลักศาสนานั้นๆตามหลักจริยธรรมวิชาชีพซึ่งส่วนมากเรารู้แล้ว 2. ทําอย่างไรให้เราดําเนินตามเรื่องนั้นเราจะต้องมีคุณธรรมสิ่งที่เป็นกรอบเราเรียกว่าจริยธรรมเรียกจริยบัณฑเราพัฒนาคุณธรรมขึ้นมา คุณธรรมที่สำคัญที่สุดคือสติรู้ตัวทั่วพร้อมเพื่อตรวจสอบตัวเองว่าเรากำลังเดินตามกรอบแห่งจริยธรรมที่ถูกต้องดีงามหรือไม่และถ้าเราออกนอกทางเพราะ อ, อาดสติ4อย่างเราก็ตรวจสอบรู้ทันตัวเองดำรงชีวิตอย่างถูกต้องดีงามด้วยระบบเหตุผลด้วยปัญญานั่นแหละเป็นชีวิตที่ประสฐสุดก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ในท้ายที่สุดนี้ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายความดีงามทั้งปวงที่บําเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นตะบะดีชะพลวะปัจจัยอํานวยอวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความสเร็จในชีวิตส่วนตัวครอบครัวการงานสมบูรณ์ในลาภยศสุขสันเสริญทุกทิพยภาราตริการประสงค์จำลองหมายสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรม ก็ขอให้พลันสำเร็จสมโนรถบุก ม, มาปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเถิด